อาจารย์ครับก่าในพัสีการครับผมอจารย์พรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านพระอาจารย์ครับวันนี้ต้องกราบขออภัยพระอาจารย์ครับที่เลื่อนจัดรายการมาหนึ่งวันก็เลยทำให้เพื่อนๆอาจจะอ่ได้รู้ข่าวกันไม่ครบนะครับอาจารย์ครับก็เป็นธรรมดาความไม่แน่นอนเป็นสิ่งที่แน่นอนครับอาจารย์ครับไม่ได้ไปเที่ยวนะครับอาจารย์พรุ่งนี้ไปทํางานครับผม ไม่ไม่ได้ไม่ได้มุ่งไปที่ประเด็นนั้นก็ต้องชิงออกตัวก่อนครับอาจารย์อย <c oughs> ที่แล้วอย่างหัวข้อวันนี้ที่บอกกรรมเป็นผู้ก็เป็นผู้เอเป็นผู้จัดการกับผู้กระทํานั่นแหละไม่ใช่คนอื่นคนอื่นเปจ้าจับผิดเขาหรือไม่มันไม่ได้เป็นผลแต่อย่างไรแต่การกระทําของเขาเองนั่นแหละเป็นผู้ที่จะส่งผลให้กับตัวเขาเองโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบอกรอดผิดหรือถูกครับ <c oughs> <c oughs> อาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดวิสัชนาธรรมครั้งที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะครับอาจารย์ครับการเรียนถามอาจารย์ว่าเช้าคนไปใส่บาทเป็นเยอะเป็นปกติไหมครับก็ปกติของวันเสาร์คือประมาณสามร้อยห้าสิบครับผมวันเสาร์วันที่<ป>จะมากไห ม, ไหมครับผมก็ใกล้เคียงกันสูสีกันพี่น้องวนพี่วันน้องครับผมครับอาจารย์ครับก็เลยเมื่อสักอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ก็ทุกคนรู้สึกเศร้ากันไปหมด เรื่องรถบัสเรื่องอะไรอย่างนี้ครับอาจารย์จริงๆผมเองก็รู้สึกอย่างนั้นตอนแรกแล้วก็รู้สึกพอนึกได้ก็โอ้มาคิดได้สัตวโลกก็เป็นไปตามกรรมถ้าไม่เคยทํามาก็ก็จะไม่เจอเหตุการณ์อย่างนี้ก็นะครับก็เลยเบาใจไปได้วันนี้ก็เลยจะกราบขอปัญญาจากพระอาจารย์ให้กระจ่างขึ้นในเรื่องนี้ครับอาจารย์ครับกราบขอมเมตตาครับคือความจริงมันไม่ได้เป็นเรื่องของกรรมอย่างเดียวหรอกเรื่องเ ห, เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันอยู่ภายใต้กฎของตายรักมากกว่าอันนี้จัง ไม่แน่นอนอนาตตาควบคุมบังคับไม่ได้เพราะมันมีตัวแปรตัวที่เป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดเหตการ์เหลนี้เกิดขึ้นหลายหลายตัวแปรและกัไม่ใช่เฉพาะตัวกรรมอย่างเดียวตัวกรรมก็คือการมาเกิดนี่แหละเป็นผลของตัวกรรมแน่นอนถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ร่ำมันก็ต้องมาเจอความแก่ความเจ็บความตายในรูปแบบใดในรูปแบบหนึ่งจะตายแบบถูกรถชนตายทึด ตายเพราะ อ, ะอะหัวใจวายหรืออะไรมันก็เป็นความตายเหมือนกันทางกฎแห่งกรรมนี่เราไม่ได้มุ่งไปในประเด็นนี้ประเด็นหลักของกฎแห่งกรรมหรือผลของกรรมก็อยู่ที่การพัฒนาหรืออยู่ที่ความเจริญด้วยความเสื่อมของจิตใจมากกว่าเพราะจิตใจนี่มีหลายระดับด้วยกันที่รักษาโลกมีหลายชนิดนะ ก็จิตใจนี่แหละที่ไปเป็นสัตว์โลกหลายชนิดด้วยกันและที่เหตุที่พาให้เป็นไปสัตว์โลกชนิดต่างๆก็เกิดจากกรรมคือการกระทำของสัตว์โลกนั่นเองในขณะที่มาเป็นมนุษย์พบของมนุษย์เนี่ยเป็นที่สร้างสร้างพบสร้างชาติสร้า ง, ส ร, างสร้างสถานภาพของการเป็นสัตว์โลกต่างๆอยู่ในพบของมนุษย์ส่วนพบอื่นๆ น, นี้เป็นที่ไปรับผล ของการสร้างของขณะที่เป็นมนุษย์นะแล้วตัวที่ทำให้จิตนี้สูงขึ้นและต่ำลงก็อยู่ที่กรรมการกระทำนี้การกระทำนี้มันมีอยู่สามสามสามแบบด้วยกันสามทางด้วยกันอยทางกายทางวาจาและทางใจทางกายเราเรียกว่ากายกรรมเช่นหมอเดินทางไปนู่นมาเน่หมอ ทําบุญหมอทาบาปนี่ก็เป็นกายกรรมวัชีกรรมก็คําพูดที่เราใช้เวลาพูดก็พูดปนหรือเปล่าก็กแบบนู้นหรือเปล่าอันนี้วัชีกรรมส่วนันี้ก็มโนกรรมก็คือความคิดภรุงแต่งวัชีกรรมกับมโนกรรมนี้ทําเองไม่ได้ต้องรอให้มโนกรรมเป็นผู้สั่งการมโนกรรมนี้อยู่ที่ใจมโนแปลว่าใจส่วนวัชีกรรมกับกายกรรมอยู่ที่ร่างกาย เพรนกรรมผู้ที่จะทำกรรมที่แท้จริงก็คือมโนกรรคือใจสั่งการไปที่ร่างกายทีร่างกายเป็นเครื่องมือของการกระทำของใจและผู้ที่จะรับผลของการกระทานี้ก็คือใจคือใจจะสูงขึ้นหรือต่าลงก็อยู่ที่กรรมที่ทำว่าเป็นกรรมดีหรือกรรมไม่ดีที่เราเรียกกรรมชั่วหรือบาปกรรมดีเราก็เรียกว่าบุญ กรรมไม่ดีแล้วก็เรียกว่าบาปถ้าทําบาปใจก็จะเรื่องต่ําลงจากมนุษย์อันนี้เป็นมนุษย์กันอยู่ทุกคนพอเราไปทําบาปปั๊บมันก็จะส่งให้ไปเป็นไปเกิดเป็นนาอบายเป็นสัตว์สี่ชนิดนยอบายถ้าทําบาปด้วยความหลงก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าทําบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยที่เรียกว่าเปรต ถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็จะเป็นดวงวิญญาณที่หวาดกลัวเรียกว่าอสุรกายถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทก็จะเป็นดวงวิญญาณ ท, ท, ที่ที่เป็นนรกเขาเรียกนรกที่มีไฟของนรกคือความอาฆาตพยาบาเทเผาผ่านใจอยู่ตลอดเวลานี่คือผลที่จะตามมาจากการกระทำบาปสีสี่ลักษณะด้วยกันสี่เหตุผลด้วยกัน ผู้ที่ทําก็คือร่างผู้ที่ทําก็คือใจผู้ที่รับผลของกรรมนี้ก็คือใจเพียงแต่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเท่านั้นเองเหมือนกับเปรียบเทียบคนขับรถคนขับรถต้องใช้รถยนต์เป็นเครื่องมือและเวลารถยนต์ไปประสบอุบัติเหตุชนคนตายผู้ที่รับโทษไม่ใช่รถยนต์นะผู้ที่รับโทษก็คือก็คือใจคนขับรถเนี่ยเป็ น, นต้องไปรับโทษ ชั้นใดร่างกายก็เหมือนกับรถยนต์มันไม่ ร, มมรู้มันไม่รู้เรื่องอะไรเทั้งนั้นมันไม่รู้ว่าทุกผิดถูกดีช่วยยังไงผู้ที่กระทําคือใจนะี่เป็นผู้ที่รู้หรือไม่รู้ก็ตามถ้าไม่รู้ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าทำบาปไปด้วยความไม่รู้ว่าเป็นเป็นความผิดไม่นควรกระทําเพราะฉะนั้น ใ, นใจเนะี่ยเป็นผู้ที่กระทําความดีคือบุญกระทำบาปความ ความชั่วแล้วก็ใจนีหลจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมเหล่านี้นี่พูดทางด้านความชั่วคือการทำบาปแต่ถ้ามาทำความดีเช่นไม่ทำบาปนักษาศีลห้าได้แล้วก็ทำแต่บุญกุศลทำคุณประโยชน์ให้กับผู้อื่นไม่ว่จาจะในรูปแบบใดก็ตามให้ทานช่วยเหลือกันอะไรทำนองนี้ ก็จะยกระดับจิตใช้ขึ้นไปเป็นเทวดาเรียกว่าเป็นสวรรค์ชั้นเทพเป็นเทวดาแล้วร่างกายนี้ตายไปดวงวิญญาณนี้ก็จะขึ้นสูงขึ้นไปสู่สวรรค์ระดับเทพซึ่งมีหกชั้นด้วยกันอยู่ที่ทำมากทำน้อยทำมากก็ขึ้นชั้นที่สูงยิ่งสูงมากก็ยิ่งสุขมากเปรียบเหมือนกับโรงแรมที่มีดาวดาวน้อยก็บริการไม่ค่อยบริการน้อยถ้าดาว มากก็ บ, บริการมากอะไรก็ต้องจ่ายมากใช่ไหมโ mm hmm. รงงานที่ดาวต่ําก็ราคาถูกกว่าราคาของโรงงานที่มียาวสูงกว่ามีมากกว่าฉัน้นการทําบุญก็เหมือนเป็นการจ่ายดีๆจองจองจองโรงแรมไปจองสวรรค์ชั้นต่างๆทําน้อยสิอแบ่งเป็นหกชั้นถ้าเป็นน้อยหกชั้นก็เปรียบเทียมหนึ่งในหกของทรัพย์สินที่เรามีก็ได้ชั้นที่หนึ่ง ถ้าสองถ้าทำสองในหกก็ได้ชั้นชั้นที่สองได้ไปเรื่อยๆาะนั้นถ้าทำหกมีเท่าไหร่ทําบุญหมดมันพระเวชสันดอนอย่างเงี้ยอันนี้จะได้สวรรค์ชั้นสูงสุดเก็บไว้เพียงแต่ไว้กินไว้อยู่ไว้ใช้เท่านั้นนอกนั้นเงินที่ส่วนเกินนี้จะไม่เอาไปใช้อย่างอื่นนอกจากทําบุญให้หมดไปอันนี้ก็จะได้สวรรค์ชั้นสูงสุดเป็นพระเวชสันดอน ตายไปก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตไม่รู้ชั้ น, นไหนจาไม่ได้แล้วก็พอกลัมาเกิดใหม่ก็มารับอนิสงค์ของพทานที่ได้ทําไว้เพราะทานส่วนหนึ่งก็ได้ส่งให้ไปไปสวรรค์อีกส่วนหนึ่งวเวลากลัมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่มีความมั่งคั่งร่ํารวยก็มาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะราชกมาุมารมีรับสมบัติของราชกมาุมร า, า, ารมีภาษาทสามฤดูเป็นต้น น, นี่ก็คือผลที่เกิดจากการทําบุญทําความดีด้วย<ม>การทําทานการให้การเสียสละแบ่งปันแล้วยังมีสวรรค์ที่สูงกว่าชั้นเทพเอีกอันนี้จะเกิดจากการที่ไปฝึกสตินั่งสมาธิก็จะได้สวรรค์ชั้นพรห ม, มที่เราไปบวชเน่งขมมากกันเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการเสีกามเสพความสงก ถือศีลแปแล้วก็ไปฝึกนั่งสมาธิอาจิตเข้าฌานได้ก็จะเป็นเข้าสู่พรหโมโลกชั้นต่างๆพรหโมโลก ม, มีมีมากกว่าชั้นเทพรู้สึกจะแบ่งเป็นสิบหกชั้นหรเท่าไหร่เนี่ยไม่แน่ใจต้องไปเปลตำราดูอันนี้ก็เกิดจากการฝึกสตินั่งสมาธิเป็นนักบวชใช้ส่วนใหญ่แล้วสูงกว่าชั้นพรมก็มีนี้ชั้นชั้นอริยเจ้า ชันโสดาบันสกิดากานาคามม อ, อันนี้จะต่อยอดต้องหลังจากที่ได้สมาธิได้ฌานแล้วก็ต้องมาเจริญเจริญปัญญาให้เห็นอริยสัจ ส, สี่เห็นใจรักเพื่อทำลายกิเลสตัณหาโดยที่คอยดึงใจให้มาเวียนว่าตายเกิดอยู่ในภพต่างๆถ้าตัดได้ส่วนส่วนแรกหนึ่งในสามของสังโยชน์ก็ได้เป็นพระโสดาบัน แล้วทำให้ส่วังโยชนิสั ง, ออสงข้อให้เบาบางลงก็เป็นพระสกิรดาคาทำสังโยชนให้ขานได้ห้าข้อก็เป็นพระอนาคามีแล้วถ้าทําสังโยชนที่เหลืออีกหข้อให้หมดไปได้ก็เป็นพระอาหารหันต์เป็นพระอาหารหันต์ก็จะตัดสังโยชน์ตัวที่ผูกใจดึงใจให้กลับมาเกิดในตายภพใจก็จะไม่กลับมาเกิดในตายภพต่อไปก็ยังอยู่ที่นิพพานแต่ อันนี้ก็เกิดจากกรรมกรรมกรรมดีคือทําบุญทําทานรักษาศีลแปดบำเพ็ญจิตตภาวนาจเจรินปัญญา ว, วิปัสสนาภาวนานี่แหละคือเรื่องของกรรมที่แท้จริงอยู่ที่อยู่ที่ตรงนี้เกี่ยวกับจิตใจโดยตรงแต่เราไม่เข้าใจเรื่องจิตใจเราบ้างจะไป ม, มองที่ร่างกายแล้วว่าโอ้คนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะกรรมของกรรมมีส่วนแต่ไม่ใช่เป็นส่วนเดียว มันง่สับสนไงคนทําความดีถ้าเป็นแทบตายกับไม่ได้ไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็มีส่วนคนนี่ไม่ได้ทําความดีแต่สอพออเอาใจเจ้านายเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งกันเพราะว่ามันไม่ได้มีเหตุปัจจัยเพลิดที่เกิดจากกรรมเอย่างเดียวมันก็มีเหตุปัจจัยหลายอย่างด้วยกันแล้ว เ, เหตุปัจจัยที่ทําให้เรามาตายกันนี่ก็คือการเกิดทั้งหมดที่ที่เป็น ผลของกรรมจริงๆถ้าไม่อยากจะตายก็อยากกลับมาเกิดอกีกก็ต้องไปพันนิพพานไปติดไปเป็นพาระอรหันต์อาจารย์แจ้งเลยครับอาจารย์ครับขอบพระคุณพระอาจารย์ที่ให้ปัญญานะครับ ح ح> ผมเคยอ่านเขาบอกว่ามีนิยามที่บอกว่าเป็นเพราะอากาศเพราะภูมิประเทศเพราะเผ่า พ, พันธุ์อะไรต่างๆที่นอกเหนือจากกรรมไปอีก ใช่ไหมครับได้มีหลายอย่างกรรมพันธุ์ก็มีส่วนนี้คนเราร่างกายที่ได้มาจากพ่อแม่เนี่ยอาจจะมีโรค ก, กรรมพันธุ์ติดตัวมาธานัสเมร์หรืออะไรอย่างนี้ครับโรคมะเร็งความเนครอบครัวพอพ่อแม่เป็นมะเร็งลูกที่เกิดมาก็เป็นมะเร็งตามนี้อันนี้เป็นเรื่องของเรื่องของเหตุปัจจัยอย่างอื่นนอกจากกรรมที่เราทำกันมัคนเกับขอบคุณพระอาจารย์ครับ ขอโอกาสถามคำถามจากเพื่อนๆบ้างนะครับจะบอกเพื่อนๆนางติ๊กตอว่าสามารถส่งคำถามเข้ามาได้แล้วนะครับคุณพลอยครับอยากเรียนถามผูาจารย์ว่าคาถาอิติปิโสถอยหลังและคาถายันทุนแก้ฝันร้ายได้จริงหรือไม่ครับคือการสวดมนต์นี่มันก็ช่วยระ ง, งับความคิดบุ๋แต่งได้ในระดับหนึ่งเวลาเราฝันร้ายหรือฝันดีนี่มันเกิดจากความคิดบุงแต่งส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ที่บุญที่บาปั้นได้สะสมไว้ ถ้าเราฝันดีก็เป็นเป็นผลของบุญที่เราสะสมไว้บวกกับความคิดปรุงแต่ที่เราชอบคิดอยู่เรื่อยๆนอนหลับก็ยังไม่หยุดคิดอาศัยบุญเป็นตัวผลักดันให้คิดไปในเรื่องที่ดีฝันดีถ้าฝันร้ายก็เป็นเพราะบาปที่เราทําไว้เป็นตัวผลักดันความคิดของเราให้ปรุงแต่งให้ฝันร้ายขึ้นมาแต่ถ้าเราปฏิบัติทำเจริญสติคอยหยุดความคิดได้ ก็ความฝันก็จะน้อยลงคนที่ภาวนาเข้าสมาธิเข้าฌ า, านได้นี่มักจะไม่ค่อยฝันเท่าไหร่ฝันน้อยมากคุณยงฤดีครับถ้าเพื่อนไปปฏิบัติธรรมในวัดแต่เป็นวัดที่ไม่ได้เคร่งครัดจึงไม่ได้ปฏิบัติเต็มที่เราควรกล่าวตักเตือนเพื่อนไหมครับถ้าเขาไม่ถามก็ไม่ควรจะไปพูดอะไรนะมันไม่ใช่หน้าที่ของเรา คุณอัญชลีครับถ้าคนในครอบครัวตายเสียชีวิตแล้วเราจะมีโอกาสเจอกันในโลกทิพย์อีกไหมครับคือโลกที่มันเป็นโลกเหมือนที่เรานอนหลับจะเจอก็เจอในจินตนาการของเรานะั่นเราฝันว่าเราเจอคนนั้นเขาเจอคนนี้มันก็จะเป็นรูปนนแบบนั้นคุณวิทรีครับอยากเรียนถามว่าคนที่ทำกรรมทาร้ายคนอื่นด้วยอะไรก็ตามเขาจะได้รับกรรมหรือเปล่าครับ ก็อย่างที่อธิบายให้ฟังเนี่ยถ้าทําบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะไปเป็นเป็นเปรตถ้าทําบาปด้วยความโง่ก็ไปเป็นสัตว์เนราชาถ้าทําบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทก็ไปนรกถ้าเราทิ้งครอบครัวตัดทุกคนหนีไปบวชชีอยู่ในวัดจะผิดบาปไหมครับ <TS> พระพุทธเจ้าวันนี้เหมือนกันแม่ผิดตรงไหนได้เป็นพระพุทธเจ้าอาจจะ หนีไปบวชชีก็จะได้เป็นพระนั่นแล้วพอเป็นนั้นกลับมาช่วยครอบครัวได้ช่วยคนในบ้านได้เยอะแยะเลยช่วยอย่างมีมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลคือช่วยบุญพ้นจากกองทุกข์ไปดีกว่าเนดะีกว่าช่วยแบบอันนี้งดูเขาไปให้ร่างกายเขาอยู่สุขสบายไปช่วยชั่วระยะหนึ่งในที่สุดร่างกายเขาก็ต้องตายไปอยู่ดีแต่ในช่วยแบบถาวรเลยช่วยไม่ให้จิตต้องมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไป อันนี้แหะเป็นวิธีที่ช่วยเหลือกันที่ดีที่สุดที่ถูกที่สุดเหมือนกับที่พระเจ้าได้ทรงช่วยเหลือครอบครัวหลังจากที่ท่านได้ตัดสัตแล้วท่านาก็กลับมาปวดแสดงธรรมพอได้ได้ฟังธรรมก็เกิดศรัทธาออกบวชกันเป็นจํานวนมากคุณสมศักดิ์ครับพระภูมิคือความดีของพ่อแม่ใช่ไหมครับไม่ทราบเหมือนกัน ภูมินี่ภมนี่มันเป็นแผ่นดินไม่ใช่หรือภูมิคำว่าภูมิไม่ใช่แผ่นดินคุณเจเฮียงครับถ้าเราอยู่บนโลกของความเป็นจริงของฟรีน้อยนักที่จะมีในโลกหวังประโยชน์กันทุกคนจริงหรือไม่ครับมันก็เรื่องเหล่านี้ก็ต้องเป็นคนต้องพิสูจน์ด้วยตนเองดีกว่าเพราะว่าไงก็เหมันถ้าไมนพิสูจน์ด้วยตนเองมันก็ไม่เห็นจริงเนี่ยว่าจะจริงหรือไม่จริง เขใช้ปัญญาพิจารณาอยู่สลคนที่เขาเขากว่าเรานี่เขาให้เรามากกว่าแล้วเขาหวังอะไจากเรามากกว่ากันธรรมดาถ้าเขาไม่เดือดร้อนเขาไม่โทรมาหาเราใช่ไหมคนเราหรือหรือนานๆนอกจากนานๆวันเกิดเขาอาจจะชวนชวนเราไปงานเี้วันเกิดเขาสักทีหนึ่งแต่ส่วนใหญ่คนที่โทรมาหาเราติดต่อเรานี่มักจะมีเรื่องเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือจากเราั้นนแต่เวลาที่เขาสุขเขาสบายเขาก็ไม่ได้ติดต่อเราเลย เป็นส่วนใหญ่นะคนส่วนใหญ่อาจจะมีคนส่วนน้อยที่เป็นคนใจบุญคนที่ทำนุ่งในบุญคุณคนที่มีความเมตต า, นะาอะไรนี้ก็อาจจะเป็นอีกอย่างหนึงแต่คนส่วนใหญ่ก็มักจะมองผลประโยชน์ของตนเป็นหลักชาติที่แล้วทำไม่ดีส่งผลมาชาตินี้มองว่าไม่ได้ทำได้ไหมครับเพราะว่าชาติที่แล้วเราไม่ได้เป็นผลทำ เราไม่ใช่เป็นคนทำเราคนเดียวกันนะคนที่ชาติที่แล้วกับคนชาตินี้กัคนเดียวกันใจดวง เ, เดียวกันเพียงแต่ร่างกายเครื่องมือเป็นคนละคนนะเป็นคนละอันกันเหมือนเปลี่ยนรถยนตนะ์เอ่อขับรถเก่าแล้วไปเปลี่ยนรถใหม่ซื้อรถใหม่มาขับมันมันก็เป็นคนขับคนเดียวกันนะั่นแหละคุณวรรณภ า, าครับถ้าเราชักชวนคนไปเล่นการพนันบาปไหมครับ อบายมุ่นี้มันเป็นการกระทาที่จะทาให้ เ, เสียทรัพยาก่นทรัพสมบัติเข้าของเงินทองไปก็ช่วยเหมือนกับช่วยให้เข้าไปน่มจมทางด้านทรัพย์สินนะง่าย อขอความเห็นในนทางความคิดของพระอาจารย์เรื่องคารวาสมาสอนธรรมะครับคือจะเป็นคารวาสหรือเป็นธรรมไม่สําคัญสําคัญแค่ว่ามีธรรมแท้มาสอนหรือเปล่าถ้าเป็นธรรมแท้ก็ต้องพระโสดาบันขึ้นไปแล้วต้องเป็นธรรมแท้ที่เกิดจากการปฏิบัติวันนี้เราก็ได้พูดนะคือความรู้ทางปัญญานี้มันมีสองระดับระดับความคิดกับระดับการปฏิบัติ ปัญญาที่แท้หรือทำแท้นี่มันอยู่ที่ระดับปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่ระดับความคิดในคนสมัยนี้เขาอาจจะคิดว่าเขาเป็นบัญญาชนจบปัญญาตีโทเอกถ้าเขาอ่านหนังสือธรรมะแล้วเข้าใจแล้วเขาคิดว่าเขาไม่ทุกข์แล้วอันนี้ก็เป็นแค่ระดับความคิดเท่านั้นเองยังไม่ได้รับการพิสูจน์เวลายังไม่ได้ขึ้นเวทีพูดง่ายๆ ย, ยังไม่ได้ไปเจอความทุกข์จริงๆ เวลาอ่านหนังสือตำรานี้มันพูดถึงทุกข์แต่ใจมันไม่ได้ทุกข์มันเพียงแต่รู้รับรู้ว่า ม, ม, มีมีทุกข์อยู่มันต้องไปเจอทุกข์แล้วปัญญาแท้ถึงจะเกิดเช่นบอกทุกข์บอกมีปัญญาบอกเกิดอย่างที่วันนี้ยกตัวอย่างไปเจอหมอบอกเป็นโรกมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วเหลืออีกสามเดือนเนี่ยดูสิใจจะทุกข์หรือไม่ทุกข์ถ้าทุกข์แลดับมันด้วยปัญญาได้หรือเปล่า พิจารณาร่างกายว่าเป็นตายรักได้หรือเปล่าว่ามันเป็นอนิจจั ง, งทุกขังอนัตตาความอยากที่ทำให้ใจทุกข์เนี่ยเกี่ยากความหลงไม่เห็นความจริงว่าร่างกายต้องแก่เจ็บตายมันธรรมดาถ้าเห็นความจริงยอมรับความจริงได้หยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ความทุกข์ก็จะหายไปอันนี้แรละมันจะเห็นชัดเจนถ้าเห็นแบบนี้แนละ้วมันก็สอนได้อย่างถูกต้องแน่นอน แล้วต้องสอนในระดับของตนที่รู้เท่านั้นเองที่รู้เท่านั้นเองระดับที่สูงกว่าก็อย่าไปอ่านเรื่องถ้าเรายังไม่ถึงขั้นที่สูงกว่าอครับ<ม>สอนได้ถ้าแต่ส่วนใหญ่เขาจะทางทางทางศาสนานี้อยากจะให้เรียนให้จบก่อนดีกว่าแล้วค่อยมาสอนอยู่พระพุทธเจ้าผ่านนั้นทั้งหลายเป็นตัวอย่างก่อนที่ท่านจะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผ่านนั้นนี่ท่านไม่ไปสอนใครถ้าไม่ตั้งตัวเป็นผู้อาจารย์ แต่ถ้าอาจจะให้คําแนะนํสาสตรมิกใ้อาจใครมีปัญหาเองไม่เข้าใจในธทำเรื่องใดมาขอถามเป็นเรื่องๆไปก็อาจจะตอบไปเป็นกรณีไปได้อันนี้แต่ไม่ได้มาตั้งตนเป็นเจ้าสํานักมาตั้งตัวเ อ, เอาจารย์หยุดหยุดบทบาทการปฏิบัติของตนเอาแค่นี้ถ้าอย่างนี้มันก็ยังไม่ไม่ควรควรที่จะทํากิจของตนให้สําเร็จก่อนให้เรียบร้อยก่อน ก็เหมือนนักศึกษาเนี่ยแพทถ้าไปจบปีสองแล้วก็ไปขอไปเปิดเปิดครื่องนี่มันเป็นยังไงบ้างไม่ไหวครับ <c oughs> ใช่ไหครับเหมือมนก็ต้องเรียนให้มันจบกระบวนการของของของวิชาการก่อนแล้วค่อยไปอ่าเอาไปไปสอนคนอื่นมาช่วยคนอื่นต่อไปได้ศาสนาก็เหมือนกันพุทธเจ้าบอกให้ยังประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมก่อนแล้วค่อยไปยังประโยชน์ของผู้อื่นต่อไปโดยอย่างพระพุทธเจ้า หกปีที่ทรงปฏิบัตินี้ไม่ได้เป็นอาจารย์ไม่ได้ตั้งตัวเป็นอาจารย์ศา ส, สดาสอนใครเลยแต่พอหลังจากที่ได้ตัดสู้แล้วก็ประกาศเป็นพระาศาสดาสอนสัตวโลกตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าปีด้วยกันสอนอยังถูกต้องมั่นยำสอนให้ผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้บรรลุตามที่พระเจ้าได้ทรงได้บรรลุเหมือนกันมันต้องแบบนี้ถึงจะถึงยุคคนจะเป็นครูเป็นอาจารย์นแต่ถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นแล้วก็ ไปเป็นนักศึกษาก่อนเถอะเจียมรู้เจียมตัวไว้ดีกว่าส่วนใหญ่าบางคนนี่นั่งคิดเข้าใจธรรมะแบบบรรลุแล้วขอเป็นอาจารย์ได้แล้วแล้วปฏิบัติด้เพราะเป็นอาจารย์มันเท่กว่ามันมีลูกศิลปลูกหามีลาบสักการะนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของกิเลสัรงนั้นถ้าถ้าเป็นอาจารย์เพื่อเพื่อเพื่อลาบรู้สึกรอดเสริญสุขนี่มันก็เป็นเรื่องของกิเลสทันทีเดียวไม่รู้สึกตัว ถ้าทําเพื่อราบสักการบสดมนนั่งสมาธิเสร็จแล้วอุทิศส่งบุญที่ล่วงให้ผู้ที่ล่วงลาไปแล้วได้รับไหมครับมันยังไม่ได้รับเพราะบุญยังไม่เกิดจิตยังไม่โวมเป็นสมาธิมันเหมือนปลูกต้นไม้วันนี้เราจะให้เอาเอาผลผลออมาจากต้นไม้เลยมันยังไม่เกิดเรามันต้อง เราให้ต้นไม้มันเติบโตขึ้นมาแล้วค่อยออกดอกออกผลก่อนฝึกสติสมาธินี้บางคนทำเป็นปีๆนะก่อจะจิตจะรวมเป็นสมาธิได้เนี่ไม่ใช่ของง่ายๆพระพุทธเจ้าจึงไม่เคยสอนเรื่องการอุทิศบุญด้วยการด้วยการปฏิบัติธรรมด้วยการเข้าสมาธินั่งสมาธิใคอยาก จ, จะอุทิศบุญสุขส่วให้ทำทำบุญทําทานอันนี้อันนี้เป็นฟาสต์ฟู้ดไปถึงสั่งที่ร้าน ส, สั่งปุ๊บเอาเงินให้เขาปั๊บของเขาก็ยื่นมาให้เลย นะฮะบุญเกิดทันทีทําบุญถวายอะไรใส่บาตรปุ๊บนี้ใจก็เกิดความอิ่มเอิบใจสุขใจขึ้นมาอันนี้แหละคือบุญที่สามารถอุบทิ้ได้ทันทีคุณปูเป้ครับกิเลสละเอียดทําอย่างไรจะดชนะได้ครับเองกิเลสจำอยากมันได้ก่อนนะอย่าเพึ่งไปกำไว้หนนะักกิเลสละเอียดนะตัดความรักสวยรักงามไว้ก่อนได้ไหม ปัดการใช้เครื่องสำอางได้ไหมกับปัดการไปทำสัญญกรรมตกแต่งได้ไหมแต่งตัวแบบเรียบง่ายได้ไหมไม่ต้องใช้ของแบรนด์เนยไม่ต้องใช้ของหรูหราไอเปเนี่ยเอากิเลสแบบยาบๆพวกนี้ก่อนเถอะไหว้พระสวดมนต์ทุกวันส่งผลอะไรกับชีวิตบ้างครับสวดธรรมจากเมตตาใหญ่หนึ่งเล่มสวดหมดเลยครับก็อยู่ที่ว่าจิตสงบไม่สงบ การสวนนี่ก็เพื่ฝึกสติเหมือนการไป น, นั่งเป็นการฝึกสมาธิแบบแบบง่ายๆแบบที่ไม่ต้องนั่งแบบหลับตาดูลมหายใจอันนัญญ้นยากแต่ก็จะไม่ได้ความสงบเท่ากับการนั่งสมาธิอาจจะระงับความฟุ่งสั้นต่างๆได้ใจเครียดจากเรื่องงานเรื่องการพอมาสวดมนตสักพัน์ก็หายเครียดได้ก็ได้แค่ระดับนั้นเลคุณแคทครับ ทำอย่างไรดีครับลูกมีความกันงวลใจกับคําทํานายว่าน้ําจะท่วมกรุงเทพก็จะทําให้ทรัพย์สมบัติที่อยู่บ้านจะวิบัติควรเชื่อหรือไม่เชื่อหรือควรจะขายแล้วมีเปอร์่ซ็นตที่สูงเพราะบ้านหลังนี้อยู่มากับสามสิบปีก็หวังจะส่งต่อให้ลูกคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนหรือให้ยอมรับไม่ต้องทําอะไรครับก็เหมือก็พระพุทธเจ้าทำนายแม่นยำที่สุดกับไม่เชื่อเมือเกิดบาแล้วต้องตายหนีไม่ค่อนความตายยังไม่เชื่อกัน ทถ้าต้องตายก็ยอมให้มันตายมันจะตายด้วยน้ำเท่วมตายด้วยตายด้วยไฟไหม้ด้วยตายด้วยอะไรเราก็ไม่รู้นะ่ะมันก็ต้องเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึง่งทําใจยอมรับความตายไว้ดีกว่าจะได้ไม่ต้อง ว, วุ่นวายกับคําำพยา ก, กรณต่างๆของหมออยู่ท่าไหลายคิดถึงลูกที่เสียไปอยากรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนไปไหนแล้วครับก็ต้องมีสมาธิในระดับอุปจาระมีอภิน ญ, ญา สามารถตามรู้ดวงวิญญาณที่ตายไปแล้วได้ว่าไปอยู่ที่ไหนอย่างพระพุทธเจา้านี่ก็ตามรู้ถึงดวงวิญญาณของแม่ว่าอยู่ที่ไหนได้ติดตามติดต่อกับแม่ได้พระพุทธมันดาแล้วก็แสดงทางปวดพุทธมนดาได้จนมบรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาต้องมีอภินญาเขาเียมีความสามารถพิเศษทางด้านจิตวิญญาณคุณแว่นครับ กรรมคือการกระทําทําสิ่งใดไว้ต้องรับผลของกรรมนั้นแต่ทําไมบางคนโกงคนอื่นแต่ยังรวยและอยู่หน้ามีตาในสังคมได้อย่างสบายๆครับเพราะมันรวยจนมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการทํากรรมอย่างเดียวมันมีอย่างอื่นด้วยชอบโกงรักทรัพย์หรืออะไรมันก็ทําให้รวยได้ทําความดีทาให้รวยเพราะเพราะว่ามันมันมันยังไม่ถึงเวลาที่จะรวยนัน อยากจะรวยต้องรอชาติหน้าคนทํากรรมคนทํากรรมดีต้องรอชาติหน้ามันจะส่งผลแต่ผลที่จะเกิดขึ้นทันทีทันใดในพรบี้มันเกิดจากการกระทําอย่างอื่นชอบโกงลักเนี่ยมันก็รวยได้หลอกลวงก็รวยได้เป็นคุณแม่เลี้ยงลูกเล็กเองสองคนยี่สิบสี่ชั่วโมงไม่มีเวลาเปลิ่ตัวทําสมาธินานๆเลย แบบนี้ควรปฏิบัติอย่างไรครับทําสติไปก่อนให้มีสติอยู่งานที่เราทําอยู่เลี้ยงลูกก็มีสติอยู่การเลี้ยงลูกป้อนข้าวลูกก็ให้มีสติอยู่วการป้อนข้าวอาน้ําให้ลูกไม่ทำอะไรให้ลูกก็มีสติอยู่งานที่เราทําอยู่อันนี้ก็เป็นการฝึกสติอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยดันเดี๋ยวเวลาลูกแบบมันก็เราก็จะมีเวลานั่งสมาธิได้เอง คุณพีโก้ครับสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ได้อย่างไรครับ้เวลาเงินหมดทุกข์ไหมล่ะเงินมันเที่ยงหรอเคุณแน่ใจหรือว่าเงินที่คุณมีนี้จะไม่หมดหรือแน่ใจหรือเปล่าเงินเดืนที่คุณได้อ า, อาจจะหดอาจจะไม่มาก็ได้วันดีขึ้นดีบริษัทเขาล้มละลายขึ้นมาแล้วจะเอาเงินจากที่ไหนมาใช้อันนี้ก็ความไม่เที่ยงพอไม่เที่ยงมันก็ทําให้เราทุกข์ถ้าเราอย่างไป ซึ่งสิ่งที่ไม่เที่ยงอยู่ให้เป็นเป็นแหล่งของความสุขของเราพอแหล่งของความสุขของเรามันเปลี่ยนไปมันหดไปเหมือนน้ำในบอ่อแห้งไปแล้วคุณจะไปตักน้ําที่ไห น, นกินมาคือความไม่เที่ยงควรจะสวดมนต์บทไหนดีครับอาจารย์สวะไม้ทุกบทนะการสวดไม่ได้อยู่ที่บทไหนะอยู่ที่ว่าสวดอย่างมีสติหรือไม่มีสติ เวลาสวดต้องมีสติอยู่กับทุกบททุกคำที่เราสวดอย่าให้ใจเราไปทิดต้อ ง, งอันนี้แหละจะทําให้จิตเราสงบง่ายคุณเพิ่มสัก์ครับทําบาปต้องมีกรรมเสมอแต่ขับรถสุนัขวิ่งตัดหน้ากระทันหันไม่มีเจตนาเราไม่บาปแต่มีกรรมไหมครับก็อาจจะมีเวรก็ได้ถ้าสุนัขเทา่านั้นอาจจะมาโกรธเราแค่นเราอาฆาตพยาบาทเราช้าหน้าเวลามัน สลับกันมันมันขับรถแล้วเราเป็นสุนัขมันจะมันก็จะชนเราก็ได้ครัต้องอย่าให้ตกไปเป็นสุนัขได้นะครับขอพระอาจารย์ช่วยสอนมรแปดให้ให้เข้าใจง่ายๆเพื่อนํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้ไหมครับคือมรแปดมันสําหรับนักบวชมากกว่าสําหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมสำหรับฆราวาสผู้ข้องเรือนนี่มัน มันไม่จําเป็นจะต้องปฏิบัติในระดับของมรรคแปดของผู้กองรือนี่แล้ให้ปฏิบัติแค่ระดับทานกับศีลไปก่อนเพราะของคาลวา่าผู้กองเรืพูดทํางานทําการให้ให้ทำบุญทําทานใจมีการเสียสละแบ่งปันไม่ใช่แต่เฉพาะกับพระภิกษุหรือกับวดัดวาเท่านั้นสามารถเสียสละแบ่งปันให้กับคนที่เราเข้ามาเกี่ยวข้องด้ด้วยทุกคนได้ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานก็ดีไม่ว่าจะเป็นคนในบ้านก็ดีคนรับใช้เราก็ดีเราทํำทานครับบุคคลเหล่า น, น, นี้ได้ให้ความเมตตาของเขาให้ความสุขกับเขาอย่าอยู่แบบสร้างความทุกข์ให้ต่อกันและกันให้มีความเมตตาต่อกันด้วยการทําบุญทําทานแล้วก็รักษาศีลอย่าไปเบียดเบียนกันอย่าไปทําร้ายกันออันนี้สําหรับผู้ที่เป็นคารวาผู้คลองเนิน แล้วถ้ามีเวลาว่างตอนเย็นหรือก่อนนอนตื่นขึ้นมาก็ไหว้พระสวดมนต์ น, นั่งสมาธิถ้าสามารถทำได้อันนี้ก็พอเพียงสำหรับผู้ที่เป็นผู้ของเรื่องนะมากกว่า น, นี้เขาก็ไม่สามารถที่จ ะ, ะจะปฏิบัติตามได้คุณสรรวราตครับ อยากถามว่าจิตไม่สงบแต่อยากนั่งสมาธิจะทำอย่างไรดีขอท่านอาจารย์แนะนำด้วยครับก็ต้องสร้างเหตุที่ทำให้จิตสงบเนี่ยเหตุที่ทำให้จิตสงบก็คือสติสติก็คือการเราเริ่มนึอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานนี้เป็นอารมณ์ที่เราสามารถสร้างสติขึ้นมาได้เช่นเราเริ่ถึงกรรมฐานเช่นพุทธานั้นสติก็เ ร, เริถึงพุโทโธพุโทโธ ถ้าลมหายใจเขาออกก็อนาปานาสติอันนี้ขึ้นอยู่กับกรณีด้วยถ้าเรายังเคลื่อนไหวอยู่ยังทำอะไรอยู่ก็ต้องใช้พุโทโธง่ายกว่าการที่จะไปดูลมหายใจเขาเพราะลมมันในของละเอียดดูยากกว่าเราก็ท่องพุโทโธพุโทโธไปในใจเราก็จะมีสติแล้วพอถึงเวลาที่เราจะมานั่งสมาธิเราจะเปลี่ยนจากพุโทโธมาเป็นการดูลมหายใจก็ได้ถ้าเรามองเห็นลม ถ้ยังองไม่เห็นนมอยู่ก็ใช้พุโทโธไปก่อนก็ได้ถ้าเราไปบวชชีไม่ถือศีลแปดมีเหตุจําเป็นต้องกินยาจะได้บุญอยู่ไหมครับไปบวชชีที่ไหนไให้แม่แม่ถือศีลแปดไม่มีเราบวชชีเขาเขาต้องให้ถือศีลแปดกันทั้งนั่นแหละนอกจากเราบวชเองแล้วอยู่ที่บ้านของเราเองอันนี้คุณจะคุณจะถือยังไงก็ได้เขาไม่ถือว่าเป็นคุณเป็นนักบวชที่แท้จริงเพราะไม่มีสักขีพยาน ว่าคุณนักษสะส์ของคุณได้ครบหรือไม่อาจจะอาจกินข้าวอย็นก็ไม่มีใครรู้ใช่ไหมคุณคานิ t ฐาครับลูกจะไปขึ้นทางด่วนทำไมมานเยอะจังเจ้าค้าหลวงพ่อขอให้ลูกสมปรารถนาตั้งใจอย่ามีมารใดๆเลยครับเพื่อพยายามปฏิบัติให้มากขึ้นในขณะที่เรายังยังอยู่ในเพศของผู้คองเงินอยู่ มีเวลาว่างก็ปไปวิเวกไปปฏิบัติสองสามวันก็ยังดีสี่ห้าวันก็ยังดีปีไปก่อนขึ้นทั้งด่วนแบบชั่วคราวไปก่อนเพื่อการเราจะสามารถเคลียร์มาร์ต่างๆที่มาขัดขวางเราได้ต้องใจเย็นๆบางคราวบางคราวเวรกรรมต้องชดใช้กันบางทีทําเวรทํากรรมามาก็ต้องชดใช้เวรกรรมไปก่อน ขนาดความคิดอกุศลเกิดพยายามรีบละแล้วทําให้เกิดจิตหดหูตามมาแบบนี้เป็นบาปไหมครับไม่บาปแสดงว่าจิตไม่ยอม ม, มันมันเลยหดหูขึ้นมามันยังอยากจะทํำบาปอยู่พอเราไปห้ามมันให้ไม่ทํำบาปมันก็เลยหดหูพออยากจะดื่มชวราไปห้ามมันไม่ให้ดื่มชวรามันกอาการหดหูมันเหงดขึ้นมาแต่พอห้าดื่มชุรารอาการเหงดก็จะหายไป คุณมูลไลท์ครับปฏิบัติภาวานานานๆแล้วจิตมันซึมซึมนิ่งๆไม่กระตือรือร้นในชีวิตเหมือนก่อนเลยทำผิดหรือเปล่าครับแล้วควรจะปฏิบัติต่ออย่างไรครับก็ไม่ทราบว่ามันปฏิบัติแล้วมันซึมเพราะอะไรมันซึมเพราะว่ามันไม่ทราบเหมือนกันนะราปฏิบัติอย่างนี้ถ้าได้ผลจิตจะไม่เซึมจิตจะจิตจะเบิ บ, บ้านสดชื่นเบิ บ, บานมีความสุขจากการปฏิบัติ แต่ถ้ายังไม่อาจจะไม่ได้ผลที่มันซึมมันอาจจะเป็นผลมาจากกิเลสที่ทำให้เราเกิดในความรู้สึกซึมเศร้าลงไปเพราะกิเลสมันไม่ได้ทำสิ่งที่มันอยากจะทำมันอยากจะไปเที่ยวเราก็ไม่ให้มันไปเที่ยวมันอยากจะดูจัอยากจะฟังอะไรแล้วก็ไม่ให้มันทำมันก็เลยสร้างการซึมเศร้าให้กับเราก็ได้เพราะผลยังไม่เกิดผลจากการนั่งสมาธิยังไม่เกิดแต่ถ้าเรายอมทนฝ สู้กับความซึมนี้ไปเรื่อยๆพยายามจเจริญสตินั่งสมาธิให้จิตนุ่มให้จิตสงบได้เมื่อไหร่แล้วอาการซึมๆเหล่านี้ก็จะหายไปเวลาทําบุญให้คนที่ล่วงรับไปแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาได้รับหรือไม่ครับถ้าไม่มียางอย่างทราบก็ไม่รู้อย่างอย่างหนึ่งบางทีเ้าก็ไม่ได้มาขอบุญซึ่งด้วยซ้ไปเราทํากันไปตามธรรมเนียมนั่นเองเราคิดถึงเขาเราก็อยากจะส่งบุญไปให้เขา แต่บางทีเขามีบุญมากพอที่เขาจะไม่ต้องมาพึ่งบุญเราเขาก็จะไม่มารอรับบุญที่เราส่งไปอยู่นี้คุณดารัตน์ครับการฝากร้านอาหารตักบาตรถวายอาหารพระแทนทุกๆวันพระบุญกุศลนี้เราได้รับไหมครับซึ่งวัดอยู่ไกลจากบ้านครับได้พอเราโอนเงินไปให้เขาปับ๊บเราก็ได้บุญกุศลนะ ถือศีลห้าครับแต่ไม่มีเวลาได้ทําบุญตักบาตรเลยเป็นอย่างไรบ้างครับก็สามารถตักบาตรทางออนไลน์ได้แล้วอย่างนี้ติดต่อกับคนที่เขารู้จักญาติโยมร้านค้าที่เขาทําอาหารใส่บาตรให้แทนอย่างเพิ่งครับเพิ่งคําถามที่เมื่อกี้ถามมาเนี่ยลองถามคนนั้นอยู่เลยครับเขาฝากใครแม่ค้าร้านไหนใส่บาตรครับไปให้เขาช่วยทําอาหารให้แล้วใส่บาตรแทนให้ พวกนส่วนใหญ่ก็จะถ่ายรูปส่งมาให้ด้วยนะจะได้ยินอย่างว่าได้ครับแต่ถ้าก็จะโกหกหลังลงเราก็ไม่รู้หรอกแต่อย่างไรเราก็ได้บุญอยู่ดีเพราะบุญเกิดจากการเสียสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองของเราไปส่วนจะไปถึงพระหรือไม่นี่ยมันเป็นเรื่องของเรื่องของคนคนที่เป็นตัวกลางว่าเขาจะทําตามที่เขาพูดหรือไม่ถ้าเขาไม่ทําเขาก็เขาทํำบาปเขาก็จะได้ผลบาปจากเขา ถ้าเรารู้แเราก็อย่าไปทํำอย่าเราก็อย่าไปฝากเขาทําต่อไปนะถ้าตามได้เรายังไม่รู้แล้เราคิดว่าเขาทำตามที่เขาได้พูดไว้เราก็ได้บุญเพียงแต่ว่าเราได้บุญแน่ๆแล้วเพียงแต่ว่าเขาคนที่ทําเนี่ยจะได้จะทําตามหรือเปล่าถ้าทําตามคาพูดเขาก็ไม่ไม่ได้ทําบาปเขาก็ได้บุญด้ว ย, มมยก็มีสัจจะแต่ถ้าเขาถ้าเขาไม่ทําตามที่เขาพูดเขาก็ได้กระทําบาป ก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรามุญไม่ยังเป็นของเราอยู่คุณดีเรศครับคนธรรมดาสามารถบรรลุอรหันตผลได้ไหมครับถ้าไม่ได้บวชเรียนเหมือนพระแต่แค่รักษาศีลทานและภาวนาครับได้ถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมก็สามารถที่จะบรรลุได้ถ้าสามารถเอาการปฏิบัติทานศีลภาวนานี้ไปกําจัด ก, กิเลสทั้งหลายให้หมดสิ้นไปจากใจ ให้เงินกับพระบาปไม่ครับคิดว่าพระก็จําเป็นต้องใช้เงินเช่นค่าโทรศัพท์หรือว่าใช้ไม่บาปนะไม่ครับไม่บาปโอนเงินเข้าบัญชีได้นี้สุดคือวิธีการรับของพระนีน่ท่านไม่ห้ามรับกับมือไม่เก็บเงินเก็บทองไว้กับตัวให้ฝากไว้กับลูกสิทธิ์เป็นผู้ดูแลจัดการให้ธนาคารก็ถือว่าเป็นโลกสิทธ์ได้ฝากเงินไว้ที่ธนาคารได้แล้วท่านต้องการเงินท่า น, นก็สั่งธนาคารให้จ่ายจ่ายแทนท่านได้ คุณอัจฉริยะครับโสดาบันจะต้องได้อัปปนาเท่านั้นไหมครับทุกระดับของพระอริยฌานนี่ต้องต้องผ่านอัปปนาสมาธิก่อนสิ่งที่ปรุงแต่งมันปรุงแต่งสิ่งที่ไม่รู้มันคืออะไรครับ <laughs> คาถามนี้คนถามก็ไม่รู้ <laughs> ถ้าคนตอบ <laughs> ังไปจะไปตอบได้งไง เจ็บป่วยกายมากทำใจอย่างไรครับรักษาไม่หายครับก็ยอมอยู่กับมันไปปล่อยมันเจ็บไปถ้าทำอะไรไม่ได้ก็พยายามฝึกใจให้วางเฉยฝึกสมาธิให้ใจวางเฉยถ้าไม่วางเฉยใจก็จะทุกข์คุณชาญยุทธครับ มีเรื่องสงสัยคือเห็นในประวัติหลวงปู่มั่นมีอุบเบกาคนหนึ่งจิตแกส่งกระแสไปจับจองที่เกิดในท้องหลานสาวตั้งแต่แกยังไม่ตายแกไปเล่าให้หลวงปู่มั่นฟังหลวงปู่มั่นเลยแนะนําให้ตัดกระแสจิตที่ไปจับจองที่เกิดนั้นด้วยปัญญาปกติแล้วจิตคนเราไปจับจองที่เกิดตั้งแต่เรายังไม่ตายได้หรอือครับเหมือนกันเรื่องที่เขาเล่ากันมาก็ไม่อยากที่จะไปมีพากวิจารณแต่อย่างใดก็ต้องเชื่อว่า ครบาอาจารย์ที่ท่านเขียนเล่าเรื่อง น, นีท่านก็พูดตามความเป็นจริงที่ท่านได้ยินได้ฟังมาแตส่วนเรื่องเรื่องความลึกลับของจิตจอมัญญานนี่เราไม่สามารถที่จะไปไปวิเคราะห์ได้งั้นก็เอาหลักศรัทธาไว้ก่อนดีกว่าเชื่อไว้ก่อนเชื่อภาะที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านไม่มีเจตนาอะไรที่จะมาหลอกเราเอะไรอย่างใดทำไมเวลาที่เราฝันถึงเหมือนไปอีกมิติหนึ่งครับ ก็อยู่ในโคลนโลกไงตอนที่เราตอนที่เราเติร์ดนี่เราอยู่ในโลกกระท่านเนี่ยโลกของสมมุติที่เราเป็นอยู่เราเป็น น, น, นายกรนายขอมีฐานะมีตำแหน่งแล้วก็อยู่ในโลกนี้เพราเราเป็นอนหลับเราฝันไปนี่มันเป็นเรื่องของโลกของจินตนาการนะจิตจะจินนาการเป็นมหาเศรษฐีก็ได้เป็นพระราชามาประสารก็ได้คนโลกโลกของจินตน า, นาการโลกของความฝัน คุณเรืองระวีครับทํำยังไงจะให้วงการสงฆ์และบรรดาค า, ารวะมีความคิดเห็นในธรรมไปในแนวทางเดียวกันโดยยึดพระธรรมที่ถูกต้องครับก็ต้องศึกษาพระธรรมคำสอนกันทุกคนทั้งคารวะทั้งพระเนรศึกษาแล้วก็ต้องปฏิบัติปฏิบัติจนต้ อ, ตอทั้งบรรลุธรรมอันนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ได้แล้วรับประกันได้ว่าจะมีความเห็นในแนวทางเดียวกันทุกคนเพราะเห็นสัจธรรมความจริงเหมือนกันทุกคนต้องเห็นด้วยการปฏิบัติ หลากการจะปฏิบัติที่ให้เห็นได้ก็ต้องต้องศึกษาวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องก่อนถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องก็จะไม่ได้ผลเรื่อเห็นเห็นไปในคนละแนวทางกันได้ดังนั้นยึดหลักสามสามประการของชาวพุทธเราศึกษาปฏิบัติแล้วก็บรุงธรรมำนี่ก็ป ร, ริยัตปฏิบัติปฏิเวนท เวลานั่งปฏิบัติตามรู้ไปเรื่อยๆพอรู้ว่าฟุ้งมักจะกลับมาที่ลมหายใจแบบสะดุ้งเฮือกเป็นปกติไหมครับจะว่าปกติก็สําหรับมันก็ไม่มันก็ไม่เสียหายอะไรมันจะสะดุ้งเฮือกก็รู้ว่ามันสะดุ้งเฮือกเท่าทนั้นเองเอาไหมหลักก็คือขอให้เรามีสตินู่นอยู่กับลมหายใจไปเรื่อยๆคุณโบครับ เจริญสติทุกวันวันละประมาณสามสิบนาทีฟุ้งเป็นระยะระยะรู้สึกไม่ก้าวหน้าขอคําแนะนําครับน้อยเงยไงต้องทกสติทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยอย่าปล่อยให้มันฟุ้งสติเป็นเหมือนเบรกของรถยนต์เนี่ยถ้าเราต้องการให้รถยนต์หยุดเราก็ต้องคอยเหยียบเบรกไปเรื่อยๆจนกว่ารถจะหยุดแต่จะปล่อยเบรกได้ไม่ใช่จ่ายเบรกปั๊บแล้วก็ปล่อยนะหวังว่ามันจะหยุดเนีมันไม่หยุดต้องแตะเบรกไปเรื่อยๆจนกว่ารถจะหยุด ปัญญาจะต้องเจริญสติไปเรื่อยๆก่าจิตจะหายฟุ้งขออนุญาตอาจารย์ครับมีคนถามว่าเปลี่ยนวันเวนลารายการหรือเปล่าจะขออนุญาตตอบว่าไม่ได้เปลี่ยนนะครับวันนี้ย้ายมาหนึ่งวันเท่านั้นนะครับชัวช่วคราวย้ายชัว่วคราวอาทิตษฐานกลับไปเป็นเหมือนเดิมครับผมการเจริญปัญญาควรคิดพิจารณาเองหรือแสวงหาความรู้จากผู้มีความรู้หรือทําทั้งสองอย่างครับ ถ้าเรายังไม่รู้เราก็ต้องสวานจากผู้รู้ก่อนเหมือนกับการเรียนหนังสือนะถ้าเราไม่รู้จักวิธีบวกลบคูณหารเราก็ต้องไปถามผู้ที่เขารู้ก่อนว่าบวกลบคูณหารทำอย่างไรแต่ถ้าเรารู้แล้วเราก็ไม่ต้องไปเรียนแต่คนอื่นก็ได้คุณอัญชลีครับบุญกุศลที่เราส่งให้ญาติที่เสียจะช่วยเติมบุญให้เขาได้ขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นที่สูงขึ้นไปได้ไหมครับจริงๆบุญนี้จะส่งให้กับพวกที่ไม่นได้ขึ้นสวรรค์พวกที่ยังเป็นเปลญ พวกที่ขาดบุญแล้วก็ถ้าส่งไปให้เขาบ้าพอเขาก็อาจจะขึ้นสวรรค์ได้หรืออย่างน้อยก็เขาก็จะพ้นจากการเป็นเปรตได้แล้ว ก, กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนเวลาที่เราโกรธจะมีวิธีระงับความโกรธได้ยังไงครับก็มีสองวิธีวิธีแรกก็ใช้สติให้คําบริกรรมพุทโธหรือสวดมนต์ไปก็ได้เวลาโกรธแล้วก็พุทโธพุทโธ เพื่อหยุดความคิดถึงเรื่องที่เราโกรธพอเราเรื่องที่เราโกรธได้ความโกรธก็จะหายไปวิธีแรกแต่วิธีนี้เป็นวิธีแบบลองทําได้เป็นครั้งเป็นคราวเพราะเราเราหยุดพูดโธเราหยุดการใช้สติเมื่อไหร่มันก็อาจจะกลับมาคิดถึงเรื่องเก่าได้แล้วทําให้เราโกรธขึ้นมาใหม่ได้ถ้าอยากจะแก้ปัญหาแบบถาวอนแล้วเราต้องมาแก้ที่เหตุที่ทําให้เราโกรธเหตุที่ทําให้เราโกรธก็เกิดจากความอยากของเรา อยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้อยากให้เขาทำอย่างนั้นทาอย่างนี้เพราะเขาไม่ทำตามที่เราอยากเราก็โกรธึ้นมาแต่ถ้าเราไม่มีความอยากก็ยินดีปล่อยให้เขาทำอย่างนั้นอย่างนี้ตามเรื่องของเขาเราก็จะไม่โกรธเขาอันนี้เรื่องปัญญาความโกรธก็คือความทุกข์ความทุกข์ก็เกิดจากความอยากอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้อยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้พอไม่ได้ก็โกรธึ้นมา ถ้าไม่มีความอยากเป็นไม่อยากได้มันก็จะไม่เกิดเฉยๆคุณจีรพันธ์ครับจิตไม่นิ่งเลยครับทํายังไงให้หายครับต้องฝึกสติบ่อยๆมา ก, มากๆตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาแล้วท่องพุโทโธพุโทโธไปภายในใจทํางานอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็พุโทโธไปอาบน้าน้างหน้าแปรงฟันนัน่ประทานอาหารไหว้บ้านถือบ้านหรือทำอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิด เราอยู่นั่นงสมาธิจิตก็จะนิ่งได้อย่างง่ายเลพระอารหันต์ในสมัยนี้ยังมีอยู่จริงไหมครับพระอาจารย์ก็มีครูบาอาจารย์ที่ท่านลงรับไปแล้วกระดูกท่านกลายเป็นพระทาตุเยอะแยะไปหมดถ้ากระดูกเป็นพระธาตุแสดงว่าท่านเป็นพระอรหันต์อย่างแน่นอนแต่บางรูปที่กระดูกให้กลายเป็นพระทาตก็อาจจะเป็นพระอรหันต์ก็ได้เหมือนกันเป็นเพราะว่าท่านอาจจะมาเป็นพระอรหันต์ในช่วงก่อนตายไม่กี่วันอย่างนี้ เมื่อตายช่วงช่วงช่วงระยะระหว่าการเป็นพราหลานกับเวลาตายในี้นถ้ามันสั้นโอกาสที่จะฟอกกระดูกจิตจิต ท, ที่บริส่วนจะฟอกกระดูกให้เป็นพระธาตุมันมีเวลาน้อยจิตท่านกระดูกของท่านก็อาจจะไม่เป็นพระธาตุขึ้นมาก็ได้แต่ถ้าช่วงระยะเวลาที่ท่านเป็นพาาระามันรู้เป็นพาาระหลังกับความตายที่ยาวเท่นเป็นปีๆเนี้ยโอกาสที่จิตที่บริส่วนินี้จะซักฟอกกระดูกของร่างกายให้ ให้สาอาไปตามความบริสุทธิ์ของใจนี้มันมีมากฉันก็โอกาสที่จะเป็นพระธาตุมีมีได้มากกว่าเพนั้นบางทีพระรูปอะไที่ตายไปแล้วกระดูกถ้าให้เป็นพระธาติก็ไม่ได้่มาเพราะว่าท่านไม่ได้บรรลุ ก, ก็ได้แต่อาจจะไม่ได้บรรลุจริงๆก็ได้มันก็เป็นได้สองประเด็นด้วยกันแต่ถ้าถ้าการเป็นพระธาตุนี้ก็แสดงว่าแน่นอนท่านเป็นพระอรหารอย่างแน่นอนพระอริยระดับอื่นไม่ไม่เป็น พระสมเด็พระสกิรานคามีพระอนาคามีนี้กระดูกของท่านจะไม่เป็นพระทาตุคุณรัตนาครับอยากถามพระอาจารย์ว่าเวลากายป่วยทํายังไงให้ใจไม่ป่วยไปด้วยครับก็แยกใจออกจากร่างกายแต่ว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวร่างกายเป็นคนรับใช้เราเวลาคนรับใช้เขาเจ็บไข้ได้ป่วยเจ้านายจะไปป่วยแท้ป่วยกับลูกน้องก่ะไม่ได้ป่วยใช่ไหม กรู้ว่าเขาเป็นคนละคนกันเราต้องแยกใจกับร่างกายว่าเป็นคนละคนกันใจเป็นคนสั่งให้ร่างกายทําอะไรอย่างไรแต่ร่างกายเป็นอะไรก็เป็นที่ร่างกายไม่ได้เป็นที่ใจแต่อย่างใดสอนใจไว้ว่าเราอย่าไปป่วยตามร่างกายที่ป่วยเพราะเราอยากจะให้ร่างกายหายจากการป่วยพอยังไม่หายมันก็เลยทําให้ใจป่วยขึ้นมาดังนั้นต้องหยุดความอยากให้ร่างกายหายป่วยทันทีถ้าป่วยก็ไปรักษามันไปนํานําตามอาการ ถ้ารักษาหายได้ก็มันก็หายถ้ารักษาม่หายไม่ได้ก็ต้องยอมรับความจริงก็ปล่อยมันป่วยไปแต่ใจเราอยากไปอยากให้มันหายป่วยเพราะความอยากให้มันหายป่วยแล้วมันยังไม่ป่วยเนี่ยมันจะทําให้ใจทุกข์จะทําให้ใจป่วยไปด้วยสุนัขเสียเราสวดมนต์ตักบาตรอุทิศให้เขาได้ไหมครับตักบาตรได้อยู่แต่สวดมนต์อุทิศไม่ได้แต่ตักบาตรนี่ได้อยู่ คุณนานนีครับเพิ่งได้รับข่าวร้ายว่าตัวเองเป็นมะเร็งเต้านมเมื่อวันที่แปดครับที่ผ่านมาตอนนี้สภาพจิตใจแย่มากเลยอยากถามพระอาจารย์ว่าเราจะทําใจของเราให้ไม่ทุกข์เพราะโรคที่เป็นได้อย่างไรครับนี่แหละให้ไม่หทุกข์ต้องต้องใหเกิดทุกข์ก่อนปัญญาปัญญาจริงถึงจะมาไนดะ้ปัญญาที่จะดับความทุกข์ก็ต้องสอนใจว่านั่งกายเป็นของไม่เทรก่อนแล้วก็ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดา ที่ใจทุกข์เพราะใจอยากให้ร่างกายไม่เจ็บไม่ตายนั่นเองถ้าอยาก ใ, ให้ใจหายทุกข์ก็ต้องยอมรับความเจ็บความตายว่าเป็นเรื่องธรรมดาปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายไปคือยอมตายยอมเจ็บแล้วใจก็จะหายทุกข์ถ้าผมรู้ทันความคิดว่าคิดดีคิดไม่ดีแล้วเราบอกว่าไม่ใช่เราคิดแบบนี้ถูกทางไหมครับไม่ถูกหรอกถ้าคิดไม่ดีต้องหยุดความคิดมันอย่าไม่คิดว่าไม่ใช่เรา ถ้ามันคิดไม่ดีก็หยุดมันถ้าคิดดีก็สนับสนุนมันคุณพิชยาครับสวดพระคาถาต่างๆจะได้บุญเหมือนกับสวดมนต์ปกติไหมครับทางเชิญมนต์เพื่อความสงบของใจหรือระงับความรุงนรานต่างๆจะนบุตรสวดบทไหนก็ได้เหมือนกัน ถ้าเราตั้งจิตอธิษฐานเพื่อไปนิพพานในชาติต่อๆไปถือเป็นตันหาอย่างหนึ่งไหมครับถ้าเราตั้งเรื่อยๆจะมีผลไหมครับคือการตั้งนี่เป็นการเริ่มต้นที่นําไปสู่การกระทําการกระทํานี่แหละจะเป็นตัวที่พาให้ไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการแย่าการจะกระทำพิจเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีการตั้งเป้าหมายไว้ก่อนว่าเราจะทําอย่างนั้นจะทําอย่างนี้นะพอเราได้ทําอย่างนั้นทำอย่างนี้นนเดี๋ยวเราก็ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการ อันนี้ไม่ถือว่าเป็นตัหนหาความอยากมันเป็นเรื่องของหลักการของการการดําเนินการของชีวิตทุกคนต้องมีเป้าหมายทุกคนเกิดมามีเป้าหมายเช่นอยากจะเรียนเป็นหมออย่างนี้ก็เพราะมีความอยากจะเรียนเป็นหมอก็จะดําเนินการตามตามเหตุตามปัจจัยที่จะทำให้เป็นหมอขึ้นมาได้อันนี้กเรียกว่าเรียกว่าอธิษฐา น, เ ป, นเป็นการตั้งจิตอธิษฐานคําว่าอธิษฐานคือตั้งเป้าหมายตั้งความ ตั้เป้าหมายของชีวิตว่าเราต้องการจะไปไหนมาไหนต้องทำอะไรอย่างไรคุณโบครับการที่เราได้พบต้องพบเจอใครในชาตินี้ถือเป็นผลของกรรมเก่าไหมครับคือการมาเกิดนี้มันก็อาจจะมีจังหวะที่คู่กรรมของเราคู่เวรของเราจะมาเจิดพร้อมพกันก็ได้มาเจอกันก็ได้มันไม่แน่นอน เหมือนกับความรถไปเจอกันที่สี่แยกไฟแดงวันนี้แล้วพรุ่งนี้ไปไปที่สี่แยกไฟแดงอีกอาจจะเจอกันก็ได้จะไม่เจอกันก็ได้เพราะมันเป็นอนิจจังไม่แน่นอนไม่เที่ยงแท้แน่นอนการที่จะมาพบปะกับใครมาเกิดในพบนี้ในชาตินี้มันไม่ได้เป็นของที่จะกําหนดได้ตายตัว ข้อที่สองครับในกรณีที่เราเป็นฝ่ายถูกกระทําแต่เราไม่ถือโทษและอโหสิกรรมให้แบบนี้กรรมจะสิ้นสุดตรงนี้เลยไหมครับก็จนกว่าเขาจะอยากเขาจะหยุดการกระทําของเขาถ้าเ้ายังไม่ยอมหยุดก็กกกต้องปล่อยให้เขาทาต่อไปแต่เราหยุดแนละ้วอย่างที่พระเจ้าสอนองคุลิมาว่าเราหยุดแล้วเธอต่างหากที่ยังไม่หยุด ต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างครับถึงจะได้เป็นพระโสดาบันขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ครับก็เราไม่กลัวตายกลัวเจ็บง่ายๆปล่อยวางร่างกายให้ได้ถือว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเราเป็นนายเราเป็นเจ้านายร่างกายเป็นคนรับใช้เราคุณนิรันดร์ครับเมื่อเราเกิดมาแล้วมีทุกข์และการที่จะไม่กลับมาเกิดอีกนั้นต้องสะสมบุญบา ร, รมีอย่างไรด้วยวิธีใดครับ ถ้มีพระพุทธศาสนาท่านก็จสอนให้เราปฏิบัติสามข้อทำทานรักษาศีลภาวนาท่านีา้แหละก็จะพาให้เราหลุดพ้นได้ถ้าไม่มีข้อพุทธศาสนาเราก็ต้องทำทางไปเองลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆ ร, ระหว่างที่ทำบุญกับพ่อแม่กับทำบุญกับพระที่วัดแบบไหนได้บุญมากกว่ากันครับก็เขาถือว่าพ่อแม่นี้เป็นบุคคลพิเศษสําหรับเรา เชฟพระกับพระอาหารหันต์เป็นพระพรมนั่นทาบุญกับพ่อแม่นี้แต่ได้บุญมากกว่าถ้าเป็นพระธรรมดาสิถ้าเป็นพระที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมนั่นทาบุญกับพ่อแม่นี้ถือว่าได้ทําบุญกับพระอรหันต์นั่นทำบุญกับพระาารพรหมเลยคุณกระสินครับถามเรื่องบุญนะครับบุญที่เราทําจะเป็นลักษณะกลุ่มก้อนบุญในมิติทิพย์หรือรวมเป็นลักษณะแบบอื่นๆครับมันมีความรู้สึก เวลาทาบุญล้วจะเกิดความรูส้สึกสุขใจอิ่มใจสบายใจอันนั้นแหละคือเรื่องของบุญทําบ่อยๆทํามากๆแล้วใจเราก็จะในความสุขความอิ่มใจมากขึ้นไปเรื่อยๆการที่เราทําบุญใส่บาททุกวันจะช่วยให้เรื่องร้ลาที่เกิดในครอบครัวเบาบางลงไปได้ไหมครับอาจจะช่วยได้จะช่วยไม่ได้เพราะมันไม่ได้เป็นปัจจัยที่จะเป็นตัวตัดสินมันมีปัจจัยอย่างอื่นอยู่ คุณอำพรครับถามว่าตีควายเพื่อวิ่งแข่งบาปไหมและว่าการเลี้ยงไก่ชนเพื่อขายบาปไหมครับมันก็เป็นการทรมานสัตว์นะก็ถือว่าบาปเหมือนกันเป็นการทำร้ายสัตว์ทำร้ายผู้อพระโสดาบันหมายความว่าอย่างไรครับคำว่าโสดาแปลว่ากระแสกระแสที่จะนำไปสู่พระนิพพานพระโสดาบันก็คือพูดได้ เขาสู่กระแสที่จะนําไปสู่พานิพานคือจะไม่ไปทางอื่นแล้วจะไปสู่พานิพานภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีหรือเจ็ดชาติอย่างแน่นอนก็ อ, อยู่กับการปฏิบัติต่อไปว่าจะปฏิบัติมากขึ้นหรือน้อยลงหรือไม่ปฏิบัติเลยถ้าไม่ปฏิบัติเลยก็จะช้าในถ้าปฏิบัติไปก็จะเร็วขึ้นคุณโจรครับ การที่เรามีญาติผู้ใหญ่ป่วยแต่เราไม่ได้บอกความจริงทั้งหมดโกหกด้วยความหวังดีเราบาปไหมครับโกหกก็บาปจาังนะจะหวังดีหรือไม่หวังดีก็ตามก็ถือว่าบาปติดเพ่งมานานแล้วครับกราบขอวิธีแก้จากอาจารย์ด้วยครับจนเพ่งก็ไม่เสียหายนะไหนจนเพ่งอยู่เรามายใจเขา อ, อันนี้ก็เป็นต้องเพ่งอยู่ถ้าเพ่งแล้วจิต เพื่อให้จิตไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆก็ไม่เป็นเรื่องที่เสียหายการเพ่งนี้ก็เพื่อให้ใจจดจอ่อให้ใ จ, จตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์เดียวไม่ว่าจะเป็นพุโทโธก็ได้เป็นลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือเป็นภาพเช่นโครงกระดูกก็ได้เพลงแบบนี้แล้วก็จะทำให้จิตเข้าสู่สมาธิได้คุณจ่าเอกครับลาบสการะหมายถึงอะไรบ้างครับลาสิ่งที่เราได้มาฟรีฟร แล้วก็การเคารพเขาเคารพ ข, ของผู้อื่เขาเห็นเราเขาก็ยกมือไห ว, ว, ว้เรากราบเราเขาม่ข้ามมีของอะไรเขาก็เอามาถวายมาให้เรานี่ก็เลยกราบศีล ก, กันละสมมุติถ้ากรรมไม่ดียังไม่หมดจะนิพพานได้ไหมครับหรือว่าถอดถอนอุปทานได้ก็พอแล้วครับได้นิพพานนี้สามารถที่จะทําให้กรรมกรรมจะหมดไม่หมดไ ม, ไม่ไม่เป็นประเด็นสำคัญ ีแต่ว่าเมื่อเป็นนิพพานเราก็จะไม่กลับมาเกิดอีกการที่เคยได้ทำไว้ก็จะไม่สามารถส่งผลต่อไปได้คุณโบถามว่าจิตรวมเป็นสมาธิมีอาการอย่างไรครับก็มีความสุขอย่างมหัศจรรย์ใจที่ไม่เคยพบมา ก, ก่อนจิตเบาจิตสบายจิตที่เคยหนักอกหนักใจเครียดก่ยกับเรื่องราวต่างๆจะหายไปหมดเป็นจิตที่ว่างเบาสบายเหมือนอยู่ในอวกาศ สวดมนต์ทุกวันจะทำให้ชีวิตดีขึ้นได้ยังไงบ้างครับไม่ดีอนะมันการสวดมนต์นี่เพื่อทำให้จิตใจเราดีนั่นเองแต่ชีวิตที่จะดีถ้าหมายถึงทางราบยุทสเสริญสุขก็ต้องไปทำมาหากินด้วยความขยันหมั่นเพียรนยครับซื่อสารสุดจริญคุณลัคณะครับบทสวดแผ่กุศลกับบทกรวดน้ำใช้เหมือนกันไหมครับอันนี้จะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ เ ร, เราเราเล่เพลงภาษาไทภาษาของเราก็ได้เช่นทำบุญเสร็จก็อุทิศบุญกุศลนี้ให้กับบุคคลนั้นบุคคลนี้นไปเลยก็ได้ไม่ต้องมาดั่งสวยก็ได้มีบอกว่าหนูเป็นโรคไตนะครับพี่สาวเอาไตาให้มาเปลี่ยนหนูต้องทำอย่างไรถึงจะชดใช้บุญที่พี่สาวให้ได้ให้ไตามาได้ครับก็ทำความดีทาความดีแล้วถ้ามีโอกาสที่จะ ช่วยเหลือพี่สาวได้ถ้าก็ดเขาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีใครดูแลแล้วก็ดูแลเข้าไปหรือถ้าบางทีเขาอาจจะขาดเลือดเราบริจาคเลือดให้เขาก็ได้นะครับเรานี้ทำอะไรก็ได้ที่เราสามารถทดแทนบุญคุณเขได้ก็ทําไปตามตามกําลังของเราคุณกิตตบุญครับคารวาจจะละนิวรันได้อย่างไรครับก็เหมือนกันคารวาจ ด, ด้วยพระก็ต้องลนิวรันด้วยกันนะ การละนิวรามันก็มีวิธีแก้เพราะนี้วรามีห้าชนิดด้วยกันถ้าเสื่มศรัท ธ, ธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ต้องศึกษาพระธรรมกาสอนให้มากขึ้นศึกษาประวัติของพระมิทจเจ้าให้มากขึ้นศึกษาประวัติของพระที่ทงสาวกให้มากขึ้นถ้าศึกษาได้มากแล้วการเสื่อมศรัท ธ, ธาก็จะหายไปถ้าเกิดความโกรธขึ้นมาก็ให้ใช้ความเมตตาแผ่เมตตาให้อภัยบุคคลที่เราโก ความโกรธก็จะหายไปถ้าเกิดการมาราคะเกิดการมารลมอยากจะร่วมเพศกับคนนั้นคนนี้ก็พิจารณาอสุภะร่างกายของคนที่เราอยากจะไปร่วมเพศจไม่สวยไม่งามมีอาการสามิสองเป็นศพเดินได้เวตายห ร, รืปลาพอหมดลมหายใจแล้วก็กลายเป็นศพก็ไม่มีใครอยากจะไปร่วมเพศด้วยแล้วถ้าเกิดความวุ่เหงาเฮาหน่อยก็ให้ว่าการกินข้าวให้น้อยลง ถือศีแลแปดบบ อ, อย่างนี้บำเพ็ญภาวนานี้ยอยากจะกำจัดนิวรณ์ต้องกินช้าให้น้อยกินเพื่ออยู่อย่าไปอยู่เพื่อกินอย่าไปกินตามความอยาก้สุดท้ายความพฟุ้งร้างก็ต้องใช้สติระงับเหมือนจาริญพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆความพฟุงสร้างก็จะเบาบางลและหมดไปได้นี่คือวิธีแก้นิวรณ์ห้าประการด้วยกันเพราะนิวาณ์มีห้าประการ น, นิวาณ์เป็นเหมือนโกของใจ ยาที่จะรักษาโรคของใจก็มีห้าชนิดด้วยกันมันกับยาที่รักษารน้ากายปวดหัวก็ต้องกินยาแก้ปวดหัวปวดท้องก็ต้องกินยาแก้ปวดท้องปวดฟันก็ต้องกินยาแก้ปวดฟันดันั้นแต่ลาการมันก็ต้องมีใช้ยาต่างกันไปถ้าลูกพูดจาไม่ดีใส่เราแต่เราเผลอเสียใจไปบ้างลูกบาปไม่ครับแต่เราไม่ได้โกรธนะฮะภายนะครับ เขาลูกบาศกเพราะไม่มีความเคารพผู้มีพระคุณไปเที่ยวสถานที่สวยๆหาภรรยาสวยๆนี่คือการเสพรูปรถกลื่นเสียงซึ่งเป็นของไม่เที่ยงใช่ไหมครับใช่ของสวยวันไหงมนันต้องการเป็นของแก่ของของไม่สวยไปยังไม่มีใครไปจีบคนแก่ใช่ไหม <laughs> <laughs> <laughs> เห็นไหมครับ <laughs> คุณปุ้ยถามว่าถ้าเราไม่อยากเวียนไหว้าตายเกิดอีกแล้วเราควรต้องทําอย่างไรครับตัดการมาตัญหาเบื้องต้นก่อนอย่าไปเสพกาถือเนี่ยกรรมะซื้อสินเนี่ยกรรมะสินแปดถึงแปดตัดให้ได้ถ้าตัดได้ก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ละแล้วถ้าไปตัดอย่างอื่นนี้ได้ความอยากอสองอย่างได้ก็ไม่ต้องกลับมาเวียนไหว้าตายเกิดเองต่อไปครับ คนทำผิดหนักโกงกินเขาไม่รู้สึกผิดชั่วถามว่าคนพวกนี้มีจิตใจระดับใดครับอาจารย์ก็ระดับอบายนะไม่ไม่เป็นในราชานก็เป็นเปรตไม่เป็นเปรตก็เป็นอสุรกายไม่เป็นนรกใส่บาตด้วยเงินบาปไหมครับไม่บาปอุตสาหิตบอกว่าตอนเด็กๆเคยยิงนกตกปลาเพื่อมาเป็นอาหารครับไม่รู้ว่าเป็นบาปตอนนี้รู้แล้ว เราจะควรจะทำบุญให้สัตว์ต่างๆได้อย่างไรบ้างครับเข้าไปถ่ายชีวิตพวกสัตว์ต่างๆก็ได้ไปปล่อยนกปล่อยปลาหรือไปถ่ายชีวิตวัวควายที่เขาจะเอาไปฆ่าก็ได้ชาวพุทธเราควรตั้งเป้าหมายสูงสุดเป็นพระนิพพานหรือมาสร้างบา ร, รมีเป็นพระโพธิสัตว์แบบมหายานไปก่อนครับมันเป็นทางสองทางงทางตรงกับทางงอง ทางตรงก็คือปฏิบัติให้หลุดพ้นในชาตินี้เลยแต่ทางตรงนี้ต้องมีพระพุทธศาสนามาสอนแต่ถ้าเราเกิดในยุคที่ไม่มี พ, พุทธศาสนาเราก็ต้องไปทาง อ, อ้อมคือสร้างบุญบารมีไปก่อนเป็นพบเป็นพระโพธิสัตว์ไปก่อนซึ่งเราจะต้องใช้เวลาหลายภพหลายชาติด้วยกันก่อนอจะไปทิงพ้นนิพพานได้แต่ถ้ามีพระพุทธศาสนาแล้วก็มีทางมีมีทางตรงมีคนมาสอนทางตรงคือพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ แล้วก็ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็สามารถไปนิพพานได้ในภพในชาตินี้เลยคุณผมเมฆครับมีญาติเขานั่งทําสมาธิโดยรู้สึกตัวว่าเห็นแสงสว่างในจิตแต่พอออกจากสมาธิเขาบอกว่ารู้สึกเหนื่อยเพลียมากจนเขากลัวการทําสมาธิรบกวนพระอาจารย์ชิ้แนะครับก็ทําทั้ำสมาธิแบบไม่มีสติไงก็จิตก็เลยไปเครียดกับสิ่งที่ปรากฏให้รับรู้ได้พอมาก็จะเหนื่อย การทำไม่ดีอย่าไปต้องอย่าเวลนั่งต้องมีสติอยู่กับพุทโธแล้วอยู่กับลมหายใจเข้าออกแล้วว่ามีอะไรปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปสนใจให้ก่อแน่นกับพระพุทโธไปแล้วก็เกาะแน่นอยู่กับลมหายใจไปอย่างใดอย่างหนึ่งไม่จําเป็นจะต้องใช้สองอย่างพูดนี้พูดเพราะว่าเรากวใช้พุทโธกางคนใช้ลมหายใจเรากวใช้ทั้งสองอย่างก็ได้แล้วแต่เราแต่วิธีที่ง่ายกว่าใช้อย่างใดอย่างหนึ่งยังง่ายกว่า พุโทโธก็พุดโธไปดูลมก็ดูลมไปอะไรจะปรากฏขึ้นมามีแสงมีเสียงมีอะไรก็อย่าไปสนใจอยู่พุโทโธไปแล้วจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้แล้วจะไม่เหนื่อยจิตจะสบายหากมีคนมาผิดศีลข้อสามกับสามีเราแต่เราโอโหสีให้เขาแล้วที่บอกว่าถึงเราให้อภยัยเขาก็ต้องรับกรรมอยู่อย่างอย่างนี้ใช่ไหมครับ กั้งทั้งสามีนะคนที่เข้ามามีอะไรกับสามีแหละเพราะทำผิดศีลเขาเราต้องไปรับผลของของกรรมที่เขาทำส่วนเราเราไม่ไปกดเขาเราไม่ไปทําร้ายเขาเราก็ไม่ได้ไปสร้างเวรสร้างกรรมกับเขาคุณศิรินครับวันนี้เจอเพื่อนบ้านเขาบอกจะเอาแมวที่ป่วยหลายโรคไปให้มูนิธิแล้วทางมูนทิบอกต้องฉีดยาให้แมวตายพอลูกรู้และเคยได้รับธรรมจากอาจารย์มาเลยบอกเขาไปยกเลิกไม่ต้องเอาแมวไปปล่อย ให้แมวหมดชีวิตไปเองในบ้านเขาอย่าไปร่วมสร้างกรรมโดยการฆ่าชีวิตเขาแบบนี้ลูกได้รับข้อธรรมจากพระอาจารย์นํามาแนะนําถูกต้องไหมครับถูกต้องการฆ่าไม่ว่าจะเป็นฆ่าด้วยความเมตตาด้วยความปรานาก็ตามก็ยังถือว่าเป็นบาปอยู่ก็ปล่อยให้เขาอยู่ไปตามสภาพของเขาแล้วเขาอาจจะได้รับประโยชน์จากการที่เขาต้องทุกทรมานกับความเจ็บคไายได้ป่วยของเขาแล้วอาจจะทําให้เขาเกิดปัญญาขึ้นมาก็ได้ ทุกย่อทุกบอกมีปัญญาบอกเกิดพอเก็ทุกข์ขึ้นมาจิตของไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามก็อาจจะใช้พิจารณาปัญญาแล้วอาจจะทําให้ความทุกข์ดับไปก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปปิดกั้นทางของเขาไว้ให้เขาไปทางตามตามกาลังของเขาการที่เราใส่บาตรแต่ไม่ได้กวดน้ําบุญกุศลจะถึงบุคคลที่เราระลึกถึงไหมครับถ้าเราระลึกก็ถือว่าเราได้กวดน้ําไปแล้ว การกดน้ำนี่กดด้วยน้ำใจไม่ใช่กดด้วยน้ำที่เราเทใส่ภาชนะน้ำใจก็คือบุญของเราเนี่ยจากใจหนึ่งสูอีกใจหนึ่งถามพระอาจารย์แนะนำจะทำอย่างไรให้สามารถสวดมนต์นั่งสมาธิได้อย่างเป็นประจำทุกวันได้เดิมทำได้ไม่กี่วันก็มีเรื่องให้ไม่ได้ปฏิบัติครับเอาก็ต้องมีกฎระเบียบกฎบังคับใช่ว่าต้อง กฎไว้ว่าต่อไปนี้จะส่วนบุญทุกวันวันไหนถ้าไม่ได้ส่วนต้องลองโทษตัวเราเองอาจจะปรับด้วยเงินเท่าต้องเงินไปทําบุญเพิ่มขึ้นสําหรับวันไหนที่เราขาดการไหว้พระส่วนมนต์ก็ได้หรือลองโทษด้วยการไม่ให้ดูหนังฟังเพลงก็ได้หรือไม่ให้กินให้ลดการกินการดื่มให้น้อยลงไปก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งถ้ามันมีโทษแล้วมันจะทําให้เราเข็ดหลามได้แล้วเราจะพยายามที่จะไม่ไ ม, ไม่ไม่ทำให้มันขาดอีกต่อไป การเล่นการพนันผิดศีลห้าไมครับเพราะรัฐบาลประกาศให้เล่นไม่ผิดกฎหมายทางพระจะต่อต้านไหมครับไม่ผิดกฎหมายแต่มันเป็นอันายอย่างมุกมันเป็นการดูดทาให้ผู้ที่มีทรัพย์นี่เสื่อมสูญเสียทรัพย์ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วน่าจจะเป็นเหตุที่ทําให้เขาต้องไปทํำบาปต่อไปเพราะสูญเสียทรัพย์สินไม่มีเงินทองใช้ไม่มีงานทําก็ต้องไปลักขโมยเงยินของคนอื่นรับ แต่ถ้าไม่เล่นการพนันก็ยังจะสามารถรักษาทรัพย์สินที่มีอยู่ให้อยู่ไปได้ให้จะไดไ้เป็นที่พึ่องอาศัยใช้สาหรับเลี้ยงปาเลี้ยงท้องได้ดัการเอาาบมุกนี้มันไม่ดีมันมันไม่บาปแต่มันเป็นตัวที่จะผลานันให้ใจพูดเล่นผู้เกี่ยวข้องกับใบมุกไม่ช้าก็แล้วก็ต้องไปทําบาปเพราะเงนินมันจะหมดเล่นการพนันไม่ช้าก็เล้วเงินก็ต้องหมดเดือดสลายยาเมามันก็หมด เล่นการพนั้นเที่ยวก็เหมือนกั น, มนไม่มันไม่มีรายได้บายมุก ม, มีแต่่ายจ่ายคุณวันเพนครับกลับขอบคุณพระอาจารย์สอนให้ยอมหยุดเย็นลูกได้บททดสอบถูกพ่อพ่อของลูกดุด่าอย่างรุนแรงลูกยกมือไหว้ก็ยังไม่หยุดซึ่งไม่ใช่ความผิดไม่ถูกใจลูกเพียนมีสติรักษาจิตและตั้งใจจะไปปฏิบัติที่วัดด้วยครับขอบพระอาจารย์ช่วยชีแ้แนะครับ ก็ยอมมันดีที่สุดใครจะดาใครจะชมก็ปล่อยเขาผ่าไปไม่ใช่เรื่องของเราเร า, เราอย่าไปเราอย่าไปเดือดร้อนยอมแพ้ปล่อยก็ททำไปเมื่อเราเร า, เราปล่อยให้เขาทำไปเรายอมแพ้เราก็จะไม่ต่อส้าไม่ต่อสู้เมื่อเราไม่ต่อสู้ความเครียดก็จะไม่มีใจก็จะสงบเย็นสบายบริจาคเลือดมา27ปีแล้วครับอานิสงส์บุญได้อย่างไรครับ ก้าบันติกรรมทานทำทานอย่างหนึ่งมันกบใส่บาเหมือนกับถวายสังฆทานเห็นในหน้านิวฟิ f a c e b o ๊ k วัดต่างๆเชิญชวนว่าการสร้างกุศลจากการทำบุญกระถินเป็นการทำบุญที่ได้บุญสูงสุดจริงหรือไม่ครับหากเราทำบุญทำทานเพื่อเกิดประโยชน์กับผู้อื่นในรูปแบบอื่นๆได้บุญไม่เทียบเท่าหรือครับเท่ากันน่ะอยู่ที่ปริมาณของการ บริจากว่าบริจากบ่อยจาน้อยบริจากม า, า ก, ากมาซึ่งกระถินนี่มันเป็นนงินบุญที่เขามีทำเดียวเชื่อกันว่าปีหนึ่งเราต้องทํานุบํารุงพระพุทธศาสนากันอย่างอย่างเป็นกอ่อเป็นกรรมสักครั้งหนึ่งก็เลยถือว่าเอาช่วงบุญกระถิ่นเนี่ยมาเป็นเวลาที่เราจะมาถวายวัจรจตุปัจจัยเข้าของเงินทองให้กับ ว, วัดเพื่อวัดจะได้เอาจตุปัจจัยเข้าของเงินทววองนี่เราถวายไปทํานุบำรุงวัดซ่อแมแซมวัด ปฏิกรสั่งขอนอะไรต่างๆเรื่องนี้ ถ, ถือว่าเป็นบุญใหญ่บุญใหญ่เพราะว่ามีคนร่วมกันเยอะบริจาคกันเยอะแต่ถ้านบริจาคน้อยถึงแม้จะเป็นบุญใหญ่ไดแต่ถ้าเราเป็นาพ้าปกติแล้วบริจาคแค่พันเดียวมันก็ได้แค่พันเดียวจิตสุดท้ายภาวนาพุทธโธควบ ค, คู่ไปกับลมหายใจจนกว่าจะควบคุมไม่ได้แบบนี้ถูกไหมครับ ถ้าตอนนี้ยังควบคุมไม่ได้อย่าไปหวังว่าตอนจุดสุดท้ายจะทำได้เราต้องทําตั้งแต่ตอนนี้ก่อนต้องฝึกไว้ก่อนเหมือนนั่งมวยนะถ้ายังไม่ซ้อมโชกแล้วหวังว่าจะขึ้นไปบนเวทีแล้วจะชคชนะนี่ก็เป็นความฝันนต้องซ้อมโชกให้ชนะให้ได้ก่อนแล้วเมื่อเรามั่นใจาว่าเราจะชนะกู่ต่อสู้ได้พอถึงเวลาเราขึ้นเวทีเราก็จะสามารถเอาชนะกู่ต่อสู้ได้ต้องซ้อมก่อนไม่ใช่อยู่ดีๆจะมารอมาซ้อม ต, อต่อตายมันไม่มันไม่ถัดการ คุณซีฟครับหลานติดดารามากนอนดึกๆทุกคืนดูมือถือตลอดเวลาแล้วยังไปตามดาราที่ชอบทุกงานซื้อของให้ทั้งที่ราคาแพงก็ยอมซื้อให้ไม่เคยซื้อของให้พ่อแม่เลยอย่างนี้จะทําอย่างไรให้เขาไม่หลงกับการติดตามดารามากเกินไปครับถ้าเป็นเงินของเราเราก็ตัดเงินเดือนให้น้อยหน่อยให้เขาใช้เท่าที่จําเป็นแต่ถ้าไม่ใช่เป็นเงินของเราเป็นเงินของเขาเราก็ห้ามเขาไม่ได้แล้วสายเกินไปแล้ว ทำบุญด้วยเงินที่ได้มาโดยไม่สุจริตบาปไหครับคือ okay. การได้เงมาโดยไม่สุจริตก็บาปนะแต่การทำบุญก็ยังได้บุญอยู่คนที่ตนานันครับอยากถามพระอาจารย์หนูฝึกแบบดูจิตบางทีจิตพูดในสิ่งที่เราไม่ได้คิดบางทีพูดคำหยาบสวดมนต์พูดหยาบกับพระพุทธเจ้าบางทีจิตกำลังคิดอยู่แต่มีเสียงหยาบคายแทรกมาคิดมาเป็นมารมารบ ก, กวน แต่หนูก็จะรู้แล้วก็เฉยไปรู้ทําถูกไหมครับอยากขอคําแนะนําครับไม่ถูกหรอการดูจิตนี้ดูจิตเพื่อหยุดความคิดที่ไม่ดีเพราะจิตคิดไม่ดีเราต้องหยุดมันให้ได้ไม่แค่ดูไปเฉยๆแล้วก็รู้เฉยๆไปมันก็จะกลับมาอยู่เรื่อยๆเราต้องการกําจัดความคิดที่ไม่ดีการดูจิตนี่ก็ความคิดที่ไปในทางโลภกรนตรงนีนง้ที่เราต้องการกําจัด พอมันคิดปันหยุดคิดไปทางโลกก่อนของจิตล้าก็สาดบริสดทเป็นผ้าอาหารขึ้นมากรวดน้ำแห้งได้ไหมครับได้ไม่ต้องใช้น้ำคิดไปในใจแล้วคิไปในใจว่าขออุทิศส่วนบุญนี้ให้กับผู้นั้นผู้นี้ที่ลงรับไปแล้วก็สำเร็จประโยชน์แล้วคุณเกครียงไกลครับการเห็นความคิดความรู้สึกและความเห็นผิดของเราจากความเห็นผิดเขา เป็นวิธีหนึ่งที่ผมออกจากความต้องติผู้อื่นครับเกิดจากความเบื่อความคิดตัวเองแบบนี้ถือว่าเป็นภาวนาไหมครับคือการภาวนานี่มันเป็นเบื้องต้นต้องการหยุดความคิดแต่ยังไม่หยุดความคิดก็ไม่ถือว่าเป็นการภาวนาส่วนการคิดเพื่อแยกแยะผิดถูงดีช่วนี้ก็จะเรียกว่าเป็นการสมวิิดาสนาภาวนาก็ได้ ถ้ามีญาติพี่น้องที่สร้างปัญหาแล้วทําตัวไม่ดีถ้าเราตัดญาติขาดมิรเขาแบบนี้เราบาปไหมครับเราอาจจะขาดความเมตตากันได้ทําไมต้องไปตัดเขาด้วยก็ให้ความเมตตาเหมือนเดิมอยู่ได้เพียงแต่ว่าเรื่องที่เขาไม่ดีก็ถือะไม่เรื่องของเขาไปเราอย่าไปเราเราอย่าไปถือเป็นเหตุที่จะทําให้เราขาดความเมตตาต่อกันแนะกัน คุณอนุนุ่งครับตั้งแต่สมัยพุทธกาลมามีคารวาที่บรรลุนิพพานเยอะไหมครับเช่นใครบ้างครับก็ไม่ได้มีการทำสถิติไว้ก็มีบ้างเท่าที่ได้ยินได้ฟังพรมพุทธเจ้านี่ก็บรรลุเป็นพราฐานเจ็ดวันก่อนตายก็มีอยู่ในต้องไปศึกษาในพระไตรปิฎกดู งูเข้าห้องให้เพื่อนบ้านมาฆ่า ง, งูตายเราบาปด้วยไหมครับบาปด้วยกรันควรจะให้เขาช่วยมาจัมเราไปปล่อยน่อย่าไปฆ่าเขาสั่งเขาก็ดีทาเองก็เลยก็ถือว่าบาปเท่ากันคุณสุภาพรครับเวลานั่งสมาธิมักจะจิตส่งออกนอกแก้อย่างไรครับเพราะสติมีน้อยต้องฝึกสติให้มากด้วยพุโทโธพุโทโธตลอดระยะเวลาทั้งวัน ก็จ ต, ตื่นจนหนับในพยายามปลกสติให้มากๆแล้วจิตจะอยู่ข้างในเวลานั่งสมาธิถ้าใส่บาทแล้วลืมกรวดน้ำบุญที่เราทำใครจะได้ครับเราเราผู้ทำเราได้ถึงแม้ว่าเราอุทินบุญเราก็ยังได้บุญอยู่เพราะบุญนี่ไม่ได้ไปทั้งหมดแบ่งไปส่วนหนึ่ง คุณปีศาครับเราไม่ได้เป็นผู้ใส่บาตรแต่เราเป็นผู้ช่วยเตรียมของใส่บาตรและเป็นผู้กล่าวนำกรวดน้ําอย่างนี้ดวงวิญญาณที่เรากล่าวอุทิศบุญให้ได้บุญไหมครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้หรือไม่เพราะมันมันบุญคนละาย่างจากการที่เราเสียสละเข้าของเงินทองอันนั้นเป็นทานแต่บุญที่เราทํานี้เป็นบุญที่ช่วยเหลือคนอื่นก็ไม่ทราบว่าบุญนี้จะสามารถ อุดเช้นได้เหมือนกับบุญที่ทำทานใช่ไหมเวลาไปทำบุญใส่บาตรที่วัดแล้วมีของเหลือจากที่คนมาทำบุญเยอะแล้วขออนุญาตพระนำกลับมาทานได้ไหมครับได้ถ้าพระอนุญาตกลับมาทานได้เราไม่มีเวลาตักบาตรตอนเช้าแต่นำเงินหยอดกระปุกแทนพอมีเวลาจึงนำเงินไปทาบุญได้บุญเหมือนกับตักบาตรตอนเช้าทุกวันไหมครับ คือได้ส่วนหนึ่งคือความรู้สึกแต่มันยังไม่เต็มที่เพราะมันมันมันมันยังไม่ได้จ่ายเข้าไปถ้ามันจ่ายเข้าไปมันจะได้เต็มร้อยอาจจะได้แค่ห้าสิบอันนี้เราได้ทําบุญเราได้เสียสาระแล้วแต่เงินก้อนมันยังไม่ได้ไปถึงผู้ที่เราต้องการจะทําบุญอยู่มันยังอยู่กับเราอยู่มันก็ยังไม่ได้เต็มร้อยมแมลงสาบมดยุง กำจัดโดยวิธีใดที่ไม่บาปเพราะมันมากขึ้นเรื่อยๆครับให้มันอยู่ไปเรื่อยๆหาวิธีการไม่ให้มันขึ้นมาสมัยก่อนบ้านบาง บ, บ้านก็ต้องทำร่องน้ำกันให้ใ ห, ให้มดขึ้นบ้านสมัยนี้เขาก็ตามวัดต่างๆวัดป่าเท่าไหร่ตอนที่เราอยู่เ้าก็จะเอาผ้าชุบด้วยน้นมันเครื่องแล้วก็ไปพันรอบเสาพอพอมันได้กลิ่นน้นมันเครื่องมันก็ไม่ขึ้น แต่ต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆเพราะสักพักหนึ่งเหมือนก็แห้งแห้งก็น้องมาเอาน้ำมันเครื่องมาทาหมยครับคุณสัมพันธ์ครับเพื่อนผมเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายกระผมควรพูดให้กําลังใจอย่างไรให้เขาปล่อยวางครับอยู่ที่ว่าเขาอยากจะฟังเราพูดหรือเปล่าถ้าก็ไม่อยากจะฟังเราพูดก็อย่าไปพูดดีกว่า ถ้าเราไม่รู้วิธีพูดเราอย่างถึงแม้จะถ้าเ้าถามกันถ้าถ้าเราไม่รู้ก็อย่าบอกเขาว่ไม่รู้ดีกว่าแต่พูดแล้วมันทําให้เขาไม่ทําให้เขาถ้าพูดไม่ดูไม่ถูกไม่ควรไม่ดีมันก็อย่าไปพูดดีกว่าถ้าเราไม่รู้จริงๆการแผ่เมตตาไม่มีประมาณในสมาธิจิตแล้วจําเป็นต้องกรวดน้ํำไหมครับการแผ่เมตตาเราไม่แผ่ในสมาธิจิต เราต้องไปแผ่ตอนที่เราเจอกันเวลาเขาตกหน้าเราอย่างนี้แล้วเราแผา่เมตตาก็เลยไม่เป็นไรให้ อ, อภัยไม่ใช่วานั่งแผ่ในสมาธิณที่ไม่มีใครมาไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ทาให้เราต้องมาแผา่เมตตาเข้าใจผิดกันคนบางคนก็นแผ่ในสมาธิบ้าแผ่ด้วยการสวดมนต์บ้าอันนี้ไม่ได้ใช่การแผม่มันเป็นการฝึกทําสมาธิเท่านั้นเองโดยการใช้บทเมตตาเป็นอารมณ์แทนเท่านั้นเป็นกรรมฐ า, านอย่างหนึง่ง แถ้าอยากจะแผ่เมตตาให้ความเมตตากับผู้ต้องเจอกับผู้ผู้อื่นเช่นเขาทุกข์ยากเดือร้อก็ช่วยเหลือเขาอางนี้ก็แผ่เมตตาเขาทําให้เราเราก็ไม่โกรธเขาให้อภัยเขาอย่างนี้เรียว่าเป็นการแผ่เมตตาคุณสิริครับอุเบกขาและสัคแต่ว่าแตกต่างกันในความรู้สึกของเราอย่างไรครับอันเดียวกันนี่ยนะสัคแต่ว่ารู้เฉยๆใครด่ราแล้วก็สัคแต่ว่ารู้ไป ไม่ไปมีอาการโกรธเกียดใคยไม่นับชัโกลัวหลงเฉยๆจากแต่ว่ารู้ไปขอคำอธิบายสีข้อสี่ครับห้ามโกหกหมายรวมถึงการพูดแบบอื่นด้วยไหมครับไม่โกหกก็คือการพูดไม่พูดความจริงนั่นเองส่วนการพูดคำหยาบ ก, การพูดไม่สุาาสภาพการพูด จอเศีย น, นการพูดเพื่อเจอเนี่มันเป็นสิ้นละเอียดสาหรับนักวนมากกว่าสาหรับกาวาวผู้รักษาศีล5้าศีแปดนี้เอาแค่ไม่โกหกเค่นั้นเองผู้สาวาทาเวรามณีคุณทอสครับหลังจากทำสมาธิมานานจิตใจอ่อนไหวมากเป็นเพราะอะไรครับเพราะไม่ได้ผลนั่นเลยถ้าได้ผลจิตใจจะเข้มแข็งจะเป็นเหมือนก้อนหินตะหนักแน่น จะไม่อ่อนไหวกับอะไรทำบุญกรถินเจ้าภาพกระถิ่นกับเราทำบุญร่วมกุศลได้เท่ากันหรือเปล่าครับก็อยู่ที่ปริมาณเงินที่เราบริจาคไปเลยถ้าเจ้าภาพบริจาคน้อยกว่าเราเราได้บุญมากกว่าเจ้าภาพพ้าเจ้าภาพบริจาคมากกว่าเราบุญเขาก็ได้บุญมากกว่าเราถ้าเจ้าภาพกับเราบริจาคเท่ากันก็ได้บุญเท่ากันมันไม่ได้อยู่ที่เป็นเจ้าภาพหรือไม่เป็นเจ้าภาพ น้องมาเดนคนเรามากักจะลงมาเดนอยู่นะครับคุณภาคภูมิครับทำสมาธิแบบดูอสุภะแล้วจิตตั้งมั่นดีมากแสดงว่าผมมีราคามากใช่ไหมครับอ า, อาจจะเป็นเพราะมันถูกเจริเกับเราก็ได้ไม่อาจจะอยู่ไม่ได้อไม่ได้อยู่ที่มีราคามากก็ได้ขณะที่เราทำงานอยู่นั้นเราภาวนาพุทโธนี่เราเกิดผลบุญด้วยหรือเปล่าครับ ก็การภาวนาพุโทโธนี้ก็ช่วยทําให้ใจเราสงบบ้างแต่ยังไม่ถึงยังไม่ได้ยังไม่ได้บุญเต็มที่ยังไม่ได้สงบเต็มที่อาจจะได้เสี้ยวของบุญเลยคุณเอพกพุธครับการกําหนดรู้ลมหายใจเพื่อกําหนดสติกับการกําหนดลมหายใจก่อนเข้านอนแตกต่างอย่างไรมือใหม่หัดพิจารณาเพราะเป็นคนหลับยากถ้าอยากหลับง่ายต้องทําอย่างไรดีครับ การดูลมหายใจนี่ก็เชื่อๆทาให้หลับง่ายขึ้นเพราะการดูลมหายใจจะทำให้เราหยุดความคิดต่างๆพอเราหยุดความคิดต่างๆได้ใจก็จะก็จะสงบร่างกายก็จะหลับไปแต่ถ้าอยู่ในท่านอนมันก็จะหลับมันไม่มีสติมันจะไม่เข้าสมาธิแต่ถ้าล่งถ้าอยู่ในท่านั่งมันก็จะไม่หลับเวลาจิตสงบมันก็จะเข้าสมาธิไปแทนที่จะเข้าระวังหลับมันก็เข้าระวังสมาธิไป หลังกนตรงที่สติถ้าอยู่ในถ้านอนมันสบายสติมันจะมันจะหายไปง่ายมันจะหมดเร็วั้นถ้าอยู่ในท่านอนสติจะดีกว่าคนที่นอนติดเตียงเราสงสารอยากช่วยเขาช่วยได้โดยวิธีไหนครับก็ต้องไปศึกษาดูจะว่าเขาต้องการอะไรให้เราช่วยแล้วก็เราช่วยเขาไปตามที่เขาต้องการ คุณบีครับทุกเขเวทนาเยอะมากจากร่างกายนั่งได้ไม่เกินสามสิบนาทีแพ้ความปวดมันปวดมากขอพระอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยครับเพราะสติมัน ม, มันหมดเนี่ยถ้าอยากจะนั่งต่อไปแล้วต้องขยันพุโทโธพุโทโธพุทโธอย่านั่งเฉยๆขยันบริกรรมพุโทโธเพื่อเพื่อดึงใจให้ออกจากความความเจ็บพอใจออกจากความเจ็บแล้วความเจ็บก็จะไม่มาทรมานใจใจก็จะอยู่กับความเจ็บต่อไปได้ หยุดความคิดไม่ดีเวลาสวดมนต์ทาอย่างไรครับก็ต้องตั้งใจสวดอย่าไปอย้าไปสนใจความคิดที่ไม่ดีวันมันคิดไปเราก็สวดของอราไปเราห้ามมันไม่ได้พราสติเรายังมีกำลังไม่มากพอที่จะหยุดมันแต่เราอย่าไปสนใจมันให้เราสนใจอยู่การสวดไปเรื่อยๆ เ, เราไปสติเราก็จะมีมากขึ้นแล้วกำลังของความคิดต่างๆก็จะน้อยถอยลงไปแล้วหมดไปได้ กำลังทุกใจกับการเจ็บป่วยของคุณพ่ออายุ87ปีมีเชื้อเลือดสมองตีบน้อยๆทําให้การกลืนไม่ดีสํานักอาหารต้องใส่สายสวนอาหารเมื่อหนึ่งกันยาหิวน้ําก็ดื่มได้ทีละนิดทรมานมากเวลาเปลี่ยนสายสวนก็เจ็บเปลี่ยนไปครั้งนึงแล้วซื้อสายซิเรโคนอย่างดีให้บางทีหลงหลดึงออกใส่ใหม่ก็เจ็บอีกดูเสมหะ ก, ก็เจ็บนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนเพราะปอดติดเชื้อ <c oughs> และทางเดินปสัสสาวะติดเชื้อเวลาเห็นพ่อเจ็บเราก็เจ็บแทนวางใจอย่างไรดีครับ <c oughs> เราก็ตอบอกว่าพ่อของเราเป็นคนละคนกันเขาเจ็บตแต่เราไม่เจ็บเราไปเจ็บเองมันก็เป็นปัญหาของเราก็ต้องแยกแยะว่าร่างกายของเขากับร่างกายของเราเป็นคนละร่างกันร่างกายของเราไม่เจ็บเราก็อย่าไปเจ็บแทนร่างกายของพวกเขาทําสมาธิไปถ้ามันไม่ยอมมันดื้อเราต้องพุโทโธพุโทโธให้ใจสงบพอใจสงบแล้วใจที่ดื้อใจที่อยากจะไปเจ็บกับร่างกายของคนไหนก็จะหยุดไป <c oughs> เวลามีปัญหาคนชอบพูดแนะนำว่าให้รู้จักปล่อยวางต้องทำอย่างไรครับวิธีปล่อยวางก็เข้าสมาธิทำจิตให้ว่างจิตอยู่ยเฉยอย่าไปอย่าไปรักไปชังอย่าไปยึดไปติดกับอะไรปล่อยให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามเรื่องของเขา ถ้าภาวนาไปถึงจุดหนึ่งเกิดความสึกว่ากิเลสบางตัวมันกลัวตัวมันตายแล้วก็ถอนจากการพิจารณาเองอัตโนมัติพอเฟ้นหาสาเหตุรู้สึกว่าเกิดจากความกลัวที่จะไม่ได้รับความสุขจากกิเลสตัวนั้นอีกต่อไป <c oughs> ขอไปครับ <c oughs> เคยสัมผัสความสุขที่ปา น, นี้กว่านั้นแต่อาจาเพราะไม่มั่นใจว่าจะได้สัมผัสอีกเลยพิจารณาต่อว่าน่าจะเพราะยังยึดในขันยังไม่เห็นว่าเป็นทุกข์ล้วนๆยังไม่เบื่อหน่ายเต็มที่เลยไม่คลายความยึดถือ <c oughs> คุณตอาหนาต่ออย่างไรครับก็ต้องทำจิตให้สงบก่อนแล้วค่อยมาใช้ปัญญาเราใช้ปัญญาอย่างเดียวโดยที่จิตไม่สงบนี้จิตจะไม่มีกําลังทำตามปัญญาได้ก็คือละกิเลสได้เวลาเดินเราลึกพุโทโธผิดไหมครับไม่ผิดเราเราลึกได้ในทุกเรื่องในทุกการกระทําไม่ว่าจะทําอะไรแล้วก็พุโทโธพุโทโธไป การพูดโทนี้เพื่อหยุดความคิดคุณหวงครับเราจะทราบได้อย่างไรว่าการปฏิบัติธรรมของเราถูกต้องครับก็งสงบมากสงบหรือไม่สงบใจเราทุกข์หรือไม่ทุกข์อันนี้ก็เป็นผลวันของการปฏิบัติถ้าปฏิบัติไปแล้วใจไม่ทุกข์ใจสงบเย็นมีความสุข ก, ก็ถูกทางนั่งสมาธิสักพักตัวเองคอตก เราต้องทําร่างกายให้กลับมาตรงหรือปล่อยร่างกายเป็นไปตามนั้นครับปล่อยร่างกายไ ป, ไปเวลาทำสมาธิเราต้องการที่จะปล่อยร่างกายถ้าเรากลับมาจัดร่างกายใหม่เราก็จะไม่สามารถที่จะเข้าสมาธิได้คุณซีฟครับตอนที่เราใส่บาตรพระพระบางรูปรับของจากที่เราใส่ท่านรับแล้วเดินไปเลยไม่บอกกล่าวอะไรบางรูปให้พรจากการใส่บาตรอย่างนี้รูปที่ไม่ให้พรกับรูปที่ให้พรแตกต่างกันไหมครับเพราะอะไรครับ แต่พ่อไม่รู้ธรรมเนียมของพระที่ถูกต้องว่าควรจะทำอย่างไรพระที่ไม่ที่นับแล้วไปเลยเนี้ยถูกต้องนะท่าน ม, มีหน้าที่เดียมาให้พนพระที่ให้พรนีน่ไม่รู้หน้าที่ของตนว่าการบินตาบานนี่ไม่ใช่เป็นเวลาที่จะให้พรให้นับบินตาบานด้วยกิริยาที่สำรวมนับเสร็จแล้วก็กไปต่อพอพ ร, พรเกิดแล้วจากการกระทาของผู้กระทา เคยใส่บาตรแล้วปับก็ความสุขความเจริญก็ปรากฏขึ้นกับใจของผู้นั้นแล้วมันจําเป็นที่จะต้องมาให้พรแต่อย่างใดถวายน้ําในวัดโดยไม่ได้ถวายพระโดยตรงบุญจะเหมือนกับการถวายโดยตรงไหมครับเหมือ น, นกันถ้าทางวัดเขาให้ปฏิบัติแบบนี้เขาบางอย่างนี้ก็จะไม่ให้พระมารับประเคนเพราะว่าของมันมีพระวินัยที่มาคอยอคอยกําหนดว่าเวลาที่เรา ของที่รับเราจะเก็บได้ไว้กี่วันถ้าเราไม่ไม่ได้รับถ้าพระไม่ได้รับก็จะเก็บไว้ได้นานแล้เวลาพระต้องการก็จะให้ลูกศิษย์เอามาปรเคนมาถวายให้แทนทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเราวัดก็จะไม่ให้พระมารับของให้วางไว้กับที่ได้ที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวจะมีผู้คนเอาไปเก็บไว้ที่ห้องเก็บของแล้วเวลาพระต้องการอะไรก็จะให้ลูกศิษย์เอามาถวายให้ทีนึงอย่างนี้ก็จะเก็บไว้ได้นาน เพราะของบางอย่างเก็บได้แค่เที่ยงวันถ้าเป็นอาหารเพราะบางอย่างก็เก็บได้แค่เจ็วันถ้าเป็นพวกเพสตรพวกน้ำตาลพวกน้ำผึ้งนี่ถ้าเราประเกันแล้วเราเก็บไว้ได้เจ็ดวันเพราะการเจวันถ้ายังมีเหลืออยู่ก็ต้องสละไปไม่ให้สะสมครับแต่ถ้าเก็บไว้ในคลังในส่วนกลางนี่ก็เก็บไว้ได้ไม่มีกำหนดเวลาในเวลาต้องการก็ให้ผ้าไปให้ให้ลูกศิษย์ไปเอามาประเกันถวายผ้าอีกทีหนึ่ง เพระน้นพ่ะป่าวันใหญ่วันป่าส่วนใหญ่จะไม่ให้ไม่นิยมรับประกันของต่งางๆให้ญาติโยมเอามาวางไว้ถึงว่าได้บุญเท่ากันครับเพราะพระจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จะได้เก็บไว้ใช้ได้อย่างเต็มที่ถ้าเราวันนี้ป้าของบางอย่างนี้หลังเที่ยวันเราต้องสลาะไปหมดเลยถ้าเป็นอาหารแต่ไม่ใช่อาหารเครื่องกระป๋องอะไรต่างๆนี่ก็ต้องสลาะไปหมดถือว่าเป็นอาหารเก็บไว้ข้างคืนไม่ได้ เก็บไว้หลังเทียงวันแล้วไม่ได้ครับคุณสัจจาครับบอกว่าเลี้ยงปลาแล้วเอาปลามาฆ่ากินบาปไหมครับบาปสิฆ่าก็าบาปแต่เลี้ยงว่าเลีก็ได้บุญได้สองอยา่างได้ทั้งบาปทั้งบุญในตอนนี้เขาก็ได้บุญแล้วเวลาเข้ามากินก็ได้บาปทีนี้ไม่รว่าไหนมันหนักกับการเบากันหรือทํากันก็ไม่รู้ครับ เวลามีต้นพระกรถินพระมาขอตั้งที่ร้านเราเสียบเองทุกวันได้กุศลไหมครับถ้าเป็นเงินของเราก็ได้ถ้าเป็นเงินของคนอื่นก็ไม่ได้คุณวรเทพครับดูจิตเป็นสมถะหรือวิปัสสนาแบบไหนดีครับสําหรับคนมักโกรธครับดูจิตสัญ ญ, ญาจะเป็นวิปัสสนาดูจิตเพ่อระรับระงรับครับคิดที่ไม่ดีนะครับกิเลสตัณหา คุณภาคภูมิครับหลังจากพ่อแม่เสียเป็นทุกข์แล้วฝันเห็นหลวงพ่อชาในฝันผ ม, ผมบอกท่านว่าจะนั่งสมาธิแล้วก็จะลมหายใจพุทโธไปครั้งสุดท้ายตื่นออกจากความฝันพร้อมลมหายใจออกครั้งที่สามตื่นมาปิติแบบบอกไม่ถูกครับนวอยฝันครับใช่ความฝันมีมันก็อาจจะทำให้เกิดความสุขขึ้นมาหลังจากตื่นแล้วมันก็ยังตกค้างอยู่ในใจคําถามสุดท้ายครับพระอาจารย์ครับ ถ้าเราต้องทำงานกับคนที่เห็นแก่ตัวเอาแต่ใจตัวเองเอาเปรียบคนอื่นเราควรจะวางใจอย่างไรครับก็จวางใจเฉยๆไม่ใช่เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเท่านั้นเองครับผมสาสามทุมครึ่งพอดีเลยครับอาจารย์ครับขอโอกาสครับอาจารย์วันนี้มีเพื่อนๆฟังธรรมอยู่ด้วยกันนะครับในเฟสเจ็ด้อยสามสิบห้าในยู4ี่ร้ยหกสิบแปด ในขับเก้าทิกตอกสี่ร้อยเก้าสิบห้ารวมหนึ่งพันเจ็ดร้อยกับเจ็ดคนครับเริ่มอ่านคำถามแรกเวลายนะี่สิบนาฬกาสิบสองนาทีอาจารย์ตอบเป็นหนึ่งร้อยี่สิบห้าคำถามนะครับมันมีเยอะคำถามครับหลายคนกังว่าราะว่าไม่ทราบว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครับไม่เป็นไรคนที่ไม่ได้ดูวันนี้ก็สามารถดูย้อนหลังได้ในวันในวันพรุ่งนี้ ก็เรืองของอ น, นิจจัอย่างที่พูดไว้ทุกครั้งที่จะลาคุณมาว่าถ้าไม่มีเหตุขัดข้องอันใดก็คงจะได้พบกันเวลาเดิมแต่คราวนี้ก็มีเหตุขัดข้องทาให้ไม่สามารถพบกันได้ก็นี่นห้ะอนาคตมันไม่มีอะไรที่แน่นอนฉั้นก่อนที่เราจะสัญญาอะไรกับใครว่าคุณจะมีวงเล็บไว้ด้วยถ้าถ้าเป็นไปได้ถ้ า, ถาไม่ถ้าไม่สุดวิสัยเรื่องอะไรก็ว่าไปอีกนั่นจะเป็นเหมือนกับการเป็นถ้าเราไม่ทําก็จะเป็นการโกหกหลอกรวมได้ การจะน่าทำวันนี้เข้าที่ว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถอดสาธุก็ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ขอให้คุณหมอเดินทางโดยสวัิภาพและคงจะได้พบกันอีกเช่นเคยในาที่หน้าถ้าไม่มีเหตุขัดข้อง ขอเจริญพรกับพระกุทธาจาครับ